โอเคโอเคฮ่าฮ่า oui> ฮ่าตามผ้าจานมานานมานานมากแล้วนะเจ้าคะนี่แล้วเป็นไงผ้าจานผ้าจานขานูนอยากถามเขาบอกว่าความคิดนั้นมันหยุดไม่ได้จริงๆหรอคะก็มันหยุดได้เป็นเพราะถ้ามีสติก็หยุดไดู้ ก็มีหลายคนบอกว่าความคิดเราน่ะไม่สามารถจะหยุดได้นี้อับถ้ามีเตสิก็หยุดได้เช่นพุทโธใครเวลาจะเข้ามาในห้องกลโนนาปวดเสียงที่อยู่ในห้องคุณก่อนปิดเสียงก่อนบังทีทําไม่ถูกนะคะของเล่นใหม่อแล้วผ้าคุณหายไปไหนไม่รู้อ๋ออยู่นะเจ้าคะคุณนิตาอยู่ครับ ลองดูได้แค่สีจ อ, อเห็นแล้วต้องเลือนมันมหเห็นแล้วเห็นแล้วคุณนิตาใช่ไหมจูเลนคราวที่แล้วก็เข้ามาแล้วเป่าเคยเข้ามาแล้วป่าเข้ามาหลายรอบแล้วเจ้าค่ะแต่ยังไม่เคยได้คุยยังไม่เกิดํากับอาจารย์ตามมานานแล้วเจ้าค่ะแล้ ว, วันนี้ยมอยากถามเรื่องการหยุดคิดเนี่ยคะ่ะยมสงสัยว่าอาการหยุดคิดนะคะเราเราเรายัง เราใช้พุทโธอยู่เังสติอยู่ใช่ไหมคะเรายังมีสติไหมคะมีเวลาหยุดคิดถ้ามีสติมันก็หยุดคิดได้อ๋อเราเป็นพุทโธไปแม่แม่แล้วตอนเราหยุดคิดนี้เราต้องพุทโธไหมคะคือเราเวลาเราพุทโธไปเดี๋ยวมันหยุดคิดเราก็หยุดพุทโธอยงอ๋อค่ะแล้วทีนี้ทําไมเวลาเราดูเราพุทโธไปเรื่อยๆนะคะ แล้วอยู่พุทโธก็หายไปเลยเนี่ยค่ะเราหยุดพุทโธเดี๋ยวมันก็หายนล่เราท่องพุทโธไปเรื่อยมันก็ไม่หายนี่ไม่ท่องยมเรื่อยๆพอมันหายก็ท่องใหม่หรอคคพอหายก็ต้องท่องใหม่โ่มท่องหายก็เราไม่ท่องยมท่องไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าเขาหายไปทีนี้โยมไปดูลหายใจลมหายใจก็หายไปอีกเหรอคะ มันไม่หายหรอกคุณสติคุณหายกระจอาอยาไหมอ่าสติคุณหายตลบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันตลบก็หายหมดเหมือนหลับอ่ะมันมันไม่เหมือนการที่เราอยู่คิดหรอกคะ่ะฮะมันมันเหมือนเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็หายไป ห, ไปหรือเบาไปเย่างี้สามัญลมหายใจแบบ คือเราไม่สัมผัสไม่ได้เหมือนปกติที่เราดูดูรมหายใจเราก็จะรู้ว่าหายจะเข้าออกองนี้ใช่ไหมคะแต่มันเหมือนเบาเบๆแล้วเราจะเหมือนสัมผัสไม่ได้ว่าลวมหายใจเรามีอยู่เงนี้ค่ะเรารู้สึกรู้เรารู้ว่ามันมีอยู่เรารู้ตัวค่ะเราเราก็มีสติดูแล้วเราก็คือมันเหมือนถ้าเรานั่งพูดคัแรกใช่ัหมเจ้าค่ะเราก็จะรู้ว่ารู้ตัวเต็มที่อย่างเนี้ยค่ะ แล้วพอเราดูใจะไปเรื่องเหมือนลมนะคะแล้วก็เบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยแล้วก็จะความคิดก็จะไม่มีนะคะความคิดก็จะหายไปแต่เราก็ยังดูอยู่ค่ะดูดูอยู่ในสภาวะข้างในนะค่ะก็ดูไปเรื่อยถ้ามันหยุดคิดก็ดีอืมทําให้มันหยุดคิดทําให้ใจเราว่างเข้าใจไหมค่ะแต่มันก็ไม่หาย มันมันไม่ได้นานนะคะมันอยู่ไปสักพักก็ก็ถอยมาแล้วก็คิดใหม่นะก็นั่นแหละพอไม่คิดใหม่ก็ต้องพุทโทรใหม่ดูลมใหม่อ๋อคะใหม่ใหม่สติเรายังมีกําลังน้อยพอเราหยุดปั๊บมันก oh, ็กลับมาคิดใหม่ตอนมันคิดใหม่เราก็ต้องสติใหม่พุทโทรใหม่แล้วดูลมใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วแล้วอย่างเรื่องความว่างเลยเจ้าค่ะเหมือนบางคนบอกว่าความว่าง เขาบอกว่ามันไม่มีกับความว่างว่างจากอะไรว่างจากความว่างไงว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์ต่างๆพอใจกระจายก็จะว่างใจจะว่างใจใจเย็งจะสบายเวลายมพูดทุกคนจะบอกว่ามันไม่มีจริงนี่ค่ะเจ้าขาเดิมเลยว่าเอ๊ะมันมีจริงไหมไม่ไม่ได้ไปพดไม่ได้ไปฟังคนไม่รู้เรื่องคนตาบอดพูดกับคนตาบอดมันก็อย่างนี้แหละ ไปพูดกับตาดี พ, พูดพะพุทธพรรมะสงฆ์ไม่ไหมเ้าถีว่าพูทธพระมสง์เป็นกาลานะเป็นอาจารย์อย่าไปคุยกับชาวบ้านม่ค้าขายขนมเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้ปฏิบัติ เ, า, เาจะไปรู้อะไระยมก็ถามพระได้หลายรูปค่ะที่แบบท่านสอนที่ปันาดี่านะครับพระที่สอนแบบไม่รู้ก็มีนะพรตาบอดก็มีนะ ท่านจาว่าท่านจะว่ายอมฟุ้งนเจ๊ะค่ะท่านจะชอบว่าโยมฟุ้งไปเองอะไรอย่เงี้ยยมก็เลยว่าเอ๊ะแต่ยมคือตำนาวะนะคะยมก็เลยว่ามันมีกีเออยูท่านพูดอะไรก็ไม่ต้องเชื่อถ้ามันรู้ส็กมันไม่มันทำแนงทำแนงก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาที่ญาติบอกให้มาพิสูจน์ดูก่อนดูความจริงที่ในตัวเราอือ ทำไงพระอาจารย์เาจะอยู่ได้นานๆก็า ต, าต้องขยันขยานเ <c oughs> ขาทโทรนานๆบๆๆน่อยๆพุทโธเนี่พอหยุดปั้มมันก็หายก็ต้องกลับมาทําต่ออยากพุทโธเรื่อยๆหลวงตาห ม, มาบัวท่านทำทั้งวันตั้ ง, งนนแต่ตื่นจนหลับท่านพุทโธนัเองมันถึงอย่างนั้นนะมันถึงจะว่ามันถึงจะอยู่มันจะนิ่งจะว่างจะสบายถ้าทําแค่สองสาม วินาทีแล้วก็หยุดมันก็หายนอยู่ก็นั่งชั่วโมงนี่แต่มันแต่เวลามันหมดเหมือนตัวไม่เคยไม่เคยได้แบบยาวๆเป็นึชั่วโมงเป็นชั่วโมงยังไม่เคยมีจังปะก็วัตถิบัติไม่เดียวมันจะได้เป็นชั่วโมงยังไงแล้วคนก็กาก็จะได้ชั่วโมงเองก็เขาพุทโธต้องหลายชั่วโมงกว่าเขาจะได้ชั่วโมงหนึ่งพอใจไหมบางคนเดินจงกรมสองสามชั่วโมงพูดโธอยู่สองสามชั่วโมงแล้วค่อยมานั่ง อาจารย์คะทำไมโยมรู้สึกเลยโยมนั่งอะค่ะหาเท็คมากเลยเหมือนแบลายโยมแบบเหมือนลายโยมแป๊บเดียวแหะบางครั้งนี้ค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วเหมือนเวลานานเนี่ยจังอะเหมือนโยรู้สึกว่าไอ้โยมนั่งแค่สินาทีพอจะพอโยมไปคุยกับคนอื่นเขาบอกอุ้ยเวลาน่ะพังไปเป็นชั่วโมงแล้วนะเขาบอกนี้ค่ะโยมมันเอ๊ะทำไมมันเกิดความรู้สึกแบบนี้เหมือนเหมือนั่านแป๊บเดียวเองนะจะทาไมคนอื่นหรืว่าเป็นชั่วโมงทั้งที่เราก็นั่งอยู่แค่ เหมือนแบบน่าจะสิบสิบห้านาทีประมาณนี้่ค่ะก็เหมือนตอนนอนหลับนะนอนหลับเป็นชั่วโมงนอนรู้สึกแป๊บเดียวหะยคาเลยตัวดีไหมเจ้าคะอ่าอดีไม่ดีอาจจะหลับก็ได้ไม่ใช่สมาธิก็ได้นะไอ้คนอื่นก็ถามรึงนะเอาแค่นี้อนมีคนเยอะแล้วเนี่ยจีกคนแล้วคุณบอยรักค่ะขอบคุณค่ะ ใครอยากจะพูดพูดต่อใครอยากจะถามถามต่อได้เลยคุณสายเทพเหรอกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอขอขอฟังท่านอื่นก่อนค่ะยังไม่มีคำถามแต่ว่าปฏิบัติยังไม่ไม่ค่อยได้ค่ะได้ไม่เป็นไรฟังแล้วก็ตั้งใจฟังดีใช่ไอมตั้งาจฟังดีใช่ไ มันเบนจวันว่ายังไงอยากจะพูดไหมกลับเปิดเปิดไม้ก็คนเปิดไม้ได้เลยนะครับตอนนี้สิบหกคนแล้วครับค่ะกล่าวถามอาจารย์ค่ะก็หนูนั่งะค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่มีสติอะค่ะหรือว่ามันที่ห้าสิบห้าสิบเจงนี้คือเรียกว่าหนูไม่มีสติใช่ไหมคะก็ห้าสิบห้าสิบเราเจ็ดเรายังน้อยก็ต้องทำให้มันมากขึ้นพยายามพยายามเรื่อยเรื่อย ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเรามานั่นงเหนาเดียวเวลาเราทำอะไรก็ให้มีสติมีผลงานที่เราทำล้างหน้าก็ให้อยู่กับล้างหน้าใจอย่าไปอยู่ที่กรุงเทพหรือที่เชียงใหมใ่ให้อยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันตักข้าวใส่ปากเคี้ยวเกินก็ต้องอยู่กับพนงานที่เราทำอยู่แล้วมันก็จะมีสติ ถ้าทำไม่ได้ก็เวลาทำอะไรก็ท่องพุโทโธก็บคู่กำกับไปก็ได้ล้างหน้าก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธ <c oughs> แปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวทัศน์มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเองนะพ อ, อมันทำไม่ได้แล้วหนูรู้สึกจะหงุดหงิดมากค่ะแล้วพอมันทำไม่ได้เข้าไปอีกมันจะรู้สึกท้อถอยแล้วไม่อยากปฏิบัติ่ะคะอาจารย์อย่าไปอยา ก, กอยาก่อยาไปอยากได้เพราะว่าเรายังมีกำลังน้อย เราเพิ่งเริ่มต้นต้องใจเย็ น, ยนๆท่านคิดว่าคุกโลไม่ได้สร้างภายในวันเดียวจะมาที่นี่กูบาอาจารย์ดังรูปก่อนจะได้เป็นสิบปีก็มีนะดัง้นเราเพิ่งมาเริ่มต้นแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเหมืนกับท่านเราจะไปได้ไหนก็ต้องใจเย็นๆพยายามทําไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆนะถ้าเดี๋ยวก็ได้เองนะไม่งั้นเดี๋ยว อยากได้แล้วไม่ได้มันก็ท้อมันก็เบื่อนี่มันเบื่อมันหงุดหงิดเพราะความอยากอย่าไปอย่าไปอยากเกินกําลังของเราผลเราปฏิบัติได้ยังไงก็ยอมรับว่าอนี่แหละตอนนี้เราทําได้เท่านี้เหมือนเราตอนนี้หาเงินได้เดือนเท่าไหร่มันก็หาได้เท่านี้แหละใช่ไหมถ้าหงุดอยากจะได้มากว่านี้มันก็หงุดหงิดท้อขึ้นมา งั้นเเราก็ต้องพอใจกับผลที่เรากำลังมีถ้าจะอยากให้มันได้มากกว่านี้ก็ต้องเจริญสติให้มากกว่าจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ ะ, ะแล้ว<ด>ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาค่ะในการปฏิบัติเราสักถ้าเราทําอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งหรือว่าสมมติเราผิดศีลสักข้อนึ่งอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์เราสามารถ เริ่มต้นใหม่และให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อย่างนี้ได้ไหมคะได้ก็เกื่อ ก, ก็บอกว่าตอนนี้เราพลาดเหมือนกับเราสอบ น, น้องคะแนนเราทําผิดทําคะแนนผิดให้เราคาถามมาห้าข้อเราตอบได้สี่ข้อผิดไปข้อแล้วคราวหน้าก็พยายามทำแค่ข้อที่ให้มันได้รักษาข้อที่เราผิดให้มันได้ คือ <c oughs> เอาเอาเอาการผิดพลาดมาเป็นบทเรียนสอนเรา <c oughs> ไม่ไม่ต้องโกรธตัวเราไม่ต้องเสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาสี่เท้ายังรู้ภาดนันกบาดยังรู้พลาดนะขอให้เอาการผิดพลาดของเรานี่มาเป็นบทเรียนสอนเราเตือนเราว่าเออเราอ่อนตรงจุดนี้ข้อนี้เราอ่อน ต้องมีความระมัดระวังต้องเสริมสติเสริัณหาเกี่ยวกับข้อนี้ให้มากกะคือต้อรอรออะไรก็ไม่รู้ก็เอาไปเรกว่าหน้าฝนก็ลงฝนได้ไม่ได้เด็กฝีเด็เขาคิดว่าเดี๋ยวกจะมีรถมาลงบินเขาก็เลยกลัวใครที่เข้ามาเป็นไมค์ก่อนนะถ้ า, ถายัางไม่ได้พูดเป็นไมคก่อนได้ค่ะไปรบกวน <laughs> เดี๋ยวไปคนต่อไปต่อนนะคุณพี่มวลพันคุณพี่มวลพันมีอะไรจะพูดไหมคุณพี่มวลพันอ่าเสียงยังไม่มาเอ้วคุณจักรพงก่อนนะจักรพ อ, อยากจะพูดอะไรไหมมาเปิดไมค์ก่อนอามาจานที่ไหนจากที่รอยเอดร้อยเอ็ดเห เราใจนะพอดีก็หยุดเรียนมา ก, มนก็หลายครั้งอยู่ครับในช่วงบ่ายครับติดตามสดถ่ายทอสดเลย <c oughs> มีคำถา ม, าาถามไหมคำถามนะครับคือก็ปกติยังไม่มาเลย เสียงหายไปจริงนยครับผมนีัดขาดแล่หายเด็ดไม่ดีหรือเปล่าใช้มือถือไไใช่ไหม<ป>ใไ้ไวฟใช่ไหมใบ้านครับสัญญาณด้ไหมครัเ อ, อ๋ อ, อได้แล้วตอนนี้ได้ินเสียงแล้วอยากจะถามอะไรถามดีอ๋อครับคือเวลาเด็ดเวลาเราที่ปฏิบัติแล้วเราหย่อนครับ มันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราปฏิบัติย้อนมันมันจะเป็นรู้สึกแปลก ๆ, ๆครับหมายถึงว่าถ้าเราปฏิบัติเร่งหน่อยก็อาจจะมีฝันมีนิมิตอย่างเช่นถ้าเป็นวันพระอย่างนี้ครับถ้าเป็นวันพระญาติจะอะไร า, า น, นะครับมามาเข้าฝันเป็นประจำแต่ทีนี้พอผมปฏิบัติแบบนี้มา นิมิตพวกนั้นก็จะไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นอารมณ์นี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยมเดี๋ยวไปถึงเป็นสาราสัมผัสมันมาก็มามันไม่มาก็ไม่มาเป็นหน้าตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรามาสนใจที่สติพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจสิ่งที่เราต้องการจัดการปฏิบัติคือความสงบความนี้ จนถ้าจะมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามนู้กลับมาที่พุโทโธกลับมาที่ลมอยู่เรื่อยต้องเกาะติดอยู่กับพุโทโธเกาะติดอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวเราถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไปตาม ร, ร, รู้เรื่องนู้เรื่องนี้มันก็ทําให้เราแทรกแทไหลออกนอกลู่นอกทางไปครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับว่าอาจารย์ที่แบบจะฝัดแล้วก็บ่อยมากคือช่วงที่ปฏิบัติ ชิ่งิดหน่อยนะครับก็คือตื่นมาประมาณที่สี่แล้ววัดเช้าอะไรนี่ครับแล้วก็ใส่บาตรทีนี้คือจะจ ะ, จะติดฝัออนอนตั้งแต่หัวค่ำถึงเช้าสองทุ่มอยากจะนอนนอนแล้วก็เวลานอนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราไปเที่ยวกลางคืนนี้คืนนะครับแล้วก็จะติดอยู่กับการนอนครับ ก็ อ, อย่างว่าแบบอย่าไปสนใจเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ความฝันนี่มันเหมือนฟ้าล่องฟ้าแลบอย่างนี้เราไปสัง่งมันไม่ได้มันจะฝันก็ฝันในเวลาเรานอนหลับนี่เราควบคุมมันไม่ได้เวลาเราตื่นเราก็ควบคุมใจได้ด้วยสติพุทธโธพุทโธไปต่อไปสติเรามากขึ้นมากขึ้นความฝันก็จะน้อยลงไปงนะแล้วก็เสไป ผู้อาวาุโสครับคือช่วงที่ปฏิบัติ่ะเราจะมีมีสติจําได้ว่าเราฝันอะไรไปไปอะไรในความฝันแต่ว่าถ้าช่วงหลังๆมาคือปฏิบัติจอนลงคือไปทํางานอื่นมากขึ้นแล้วที่จะจำความฝันอะไรไม่ได้เลยครับนี่จะเป็นข้อแตกต่างที่มีที่จะเหัดมากเลยครับเออ่ก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันการเรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นสาระสําสคัญ แลักสาคัญของการปฏิบัติคือความสงบต้องเอาความสงบความนิ่งให้ได้แอปพลอง น, นี้มันเป็นของแทรกของแถมมาไม่ได้ทําให้จิตใจเรามีพลังมีกํกกาลังชูกับกิเลสรับรู้แล้วก็ปล่อยวางนะถ<ย>อแบบในใจแล้วอานิจังชุกขังอนัตตาไปาคนตอบไปนะวิาชาอยากจะโทษอะไร<ช>นะเห็นชันติานน ก, ากายกมือเนะฮะ ตา น, ะนิกา<พ>มียกมือมาคนหนะึงฮะขอเข้าคิวหน่อยนะเดี๋ยวขอกําลังเข้าคุณคุณวิชาญอยู่ติดกันอยู่ตรงนี้อ๋อฮะครับวิชาญก่อนนะเรากําลังเอาตามคิวไปนะครับครับอ่าเชิญคุณวิชาญเปิดเปิดไมค์ก่อนกดไมค์อยู่มุมซ้ายมุมล่างครับมุมล่างซ้ายของจออ่ะ พี่ครับพระอาจารย์ครับโอเคได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่นครปฐมครับสัมพันธ์ครับอ๋อนครปฐมอ่าครับเป็นยังไงเข้ามาทางเพจเหรออหนก็เข้ามาทางเพจครับแล้วก็กดติดตามพระอาจารย์อยู่แล้วก็ปังอยู่ทุกวันครับเอ่ก็พอมีพอมีสอดมันก็จะเตือนใช่ยไหมใช่ครับเขาก่อนเข้ามาดูแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงนาทีสุดท้ายก็เลยไม่ทันพระอาจารย์ครับมันไี่มีเวลา ตอนนี้มีเวลาเยอะใช้มบบใม่แบบใช้แบบโปรไม่มีกำไม่มีกาจัดเวลาจํากัดเวลาพูดได้ครับก็ผมก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติทุกทุกวันนะครับก็คือก่อนอนอนแล้วก็ตอนเช้าตื่นตั้งตั้งปลุกตีสามแล้วก็ปลุกบัตรคือมันจะมีมันจะมีบางช่วงที่คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนบวชตอนเคยบวชเนี่ยมันภาวนาแล้วมันลงแต่ตอนตอนเนี้ยมันสงบ มันมีมันมีแต่มันไม่ปรีติเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าคือมันมันใจมันคองมันมีความสุขแต่ว่าคือผมก็ยังอยู่พุทโทบางช่วงมันก็แบบแถวจนจนเขาเรียกว่าคือมันมันมันอยู่กับพุทธโทอยู่แล้วก็คือไม่ไม่ได้คิดอะไรมันแต่ว่ามันจะมีกลิ่นมีกลิ่นที่แบบเข้ามากระทบอะครับแล้วมันมาคืมันมาทุกเช้าเอ ก็ไม่เป็นไรให้รับรู้ ร, รับรู้เฉยๆว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนกับภาพคนก่อนก็เรื่องของภาพแนละ้วเราก็เรื่องของกลิ่นแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นภาพเป็นกลิ่นหรือเป็นอะไรก็พิจารณาเป็นไตายรักไปให้หมดผมก็ไม่ได้สนใจก็คือพิจารณาเหมือนเด็ก็คือทาเหมือนเดิมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ก็คือตั้งจัจใจว่าจะทําทุกวันไม่ให้ขาดอะไรครับถูกต้องเพราะผลบางวันมันไม่แน่ไม่เป็นตกปลาเนี่ยมันมีระบบ คือผมไปปฏิบัติทำช่วงหลายวันเนี่ยแล้วมันมียังคืนสุดั้งสุดท้ายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอยากจะปล่อยวางหมดเลยมันน้ําตาไหลมันแบบคือเหมือนเราอยากจะจะไปจะไปบวชอีกครั้ง น, นึงครับความรู้สึกนั่นแหละเพราะมันเริ่มมีปิติมีความสุขจากการปฏิบัติมันก็อยากจะทิ้งทนี่แต่ว่าพอมันมีบางช่วงพอมผมว่าเหมือนกิเลสมันมามันมาลุมเราอีกทีหนึงมันทําให้เรา ว่วงเงาหานอนเหมือนขี้เกียจมันมีสองประมาณสองสาวันพอผมเจอพระอาจารย์วันนั้นคือเหมือนใจมันพองฟูขึ้นมาแล้วว่าคือวันนั้นก็คือปฏิบัติได้ดีก็ขึ้นมาเลยครับมันเหมือนมีอะไรมากระตุ้นนะครับครับเป็นอย่างเงี้ยเวลาได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีกำลังใจครับท่านถึงสอนให้ให้พยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยพยายาม ครับตอนนี้ก็ไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูละครปิด อ, อ, อะไรที่มันไม่เกี่ยวคือจะจะดู เ, ดเรื่องเทธรรมะเรื่องอะไรพวกนี้ใหอะไรแาบขึ้นแล้วก็พอได้ธรรมะได้เห็นธรรมะใจมันก็ ส, สดชื่นขึ้นมาแล้วก็เรื่องกินข้าวเรื่องอะไรเงี้ยก็พยายามให้มันกลับไปกินมื้อเดียวหรือก่อนก่อนเที่ยงเดิมหรือว่าวันไหนมันต้องทํางานเยอะๆแล้วก็กินแค่ผลไม้หรืนะผลไม้แทนคือเหมือนลองลอง เตรียมเตรียมตัวไว้ครับเพราะว่ากะว่าถ้าถ้าถ้าพร้อมก็คือเข น, น่าจะกลับไปที่นี่ยได้ตอนนี้เราก็เตรียมตัวไว้ก่อนครับนั้นแล้วพอถึงเวลาพอไม่มีอยู่ประสัตขวางกั้นก็ไปเลยถ้าไม่เตรียมไว้พอถึงเวลามันจะไปไม่ได้นะเหนตอนนี้พยายามภาวนาประหยัดทิ้งนะปฏิบัติไปอย่าทิ้งแล้วเดี๋ยวพอมีช่องว่างเปิดปั๊บเราก็ไปเลย คุณลอยให้เราเป็นคนเลือกคนใช่ไหมเราจะได้เลือกครับครับพราอาจารย์เลือกได้เลยครับต่อไปคนจุ๋มจะอยู่ติกันตรงนี้อ่าจุ๋มเปิดมันก็พอนก่อนอยู่ใต้มือด้านล่างสวัสดีค่ะพระอาจารย์มาจากที่ไหนกรุงเทพค่ะกรุงเทพกรทมค่ะติดตามเผนนี้มานานหรือยังนาแล้วค่ะแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์บ่อยๆค่ะออ่ ไปกับพี่อเนกอะค่ะอ๋อได้แล้วได้แล้วสบายแล้วการบินไทยการบินไทยใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานละค่ะพอาจากรย์เนะขอให้การบินไทยอยู่ไปนานๆนะอ้าทุพระอาจารย์คะพอดีช่วงนี้ห่างวัดอะค่ะไม่ค่อยได้ไปวัดแล้วพอกลับมานั่งสมาธิอะค่ะมันง่วงอะค่ะพระอาจารย์ วัดมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอวัดมันอยู่ที่ธรรมะพวกนี้นสงสัยจะหางเราเราขี้เกียจอา่านดูธรรมะฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เนีปิดเทนโล่งของหลวงตาฟังไปเทนเปิดดูเข้าไปเว็บของหลวงตามหาบัวนี่แล้วก็ดูย้อนหลังได้มีวีดีโออะไรต่างๆดูไปเรื่อยๆดูแล้วมันก็จะทําให้อยู่ใกล้วัดขึ้นมาเอง เราไปวัดเพื่ออะไรแล้วก็ไปฟังธรรมไม่ใช่ไห <ไป S 1> รอก็ไปฟังธรรมค่ะนัานน่ะสิทีนี้เราสามารถฟังธรรมจากที่บ้านได้งั้นเราไม่ห่างวัดหรอกเพียงแต่เราไม่ยอมเปิดเข้าหาธรรมเองเราชอบไปดูขนมนมเลยดูที่นั่นที่นี่มันก็เลยห่างวัดไม่ค่แต่ถ้าเปิดฟังแต่ถ้าเปิดเทศไปด้วยแล้วก็นั่งนั่งสมาธิไปด้วยอ่ะค่ะอันนี้ก็จะนั่งนานแล้วก็เหมือนเกาะไปกับ เสียงเทศเสียงธรรมอ่ะขอของเรามีมีสดอยู่ทุกวันเนี่ยด้ดูย้อนหลังได้ทุกวันเนี่ยคนรจะก็หาเวลามามาฟังเทศทุกวันนะค่ะเขาถ่ายทอดสดบ่ายสองถึงสี่เหมือนกับมาวัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะอยู่ที่ตัวเราเองเราห่างเองเราไม่เราไม่เข้าหามันเองวันก่อนคุยกับพี่เนตพี่เนตก็บอกสี่สิบพี่สี่สิบนาทีพี่ก็เริ่มดำดิ่งแล้วค่ะ ง่วงเหมือนกันเราพยายามทําไปนะผลได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ทํานะมีอะไรจะขอบคุณไม่มีราคาขอบคุณค่ะขอบคุณเกศต่อคุณเกตวีนาสวัสดีจ้าอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะพระเจ้าหนูรับชมอยู่ญี่ปุ่นค่ะอาจารย์เอญี่ปุ่นเมืองอะไรอยู่คิวชูค่ะฟุกุโอกะอยู่แถวไหนอยู่ใกล้ๆ อยู่ภาคใต้ ค, ตตค่ะพระอาจารย์ภาคใต้ใช่ของอุตส่าห์ลงไปก็มาลงไปเกือบล่างสุดเลยค่ะล่างสุดโอเคใช่ค่ะหนูก็รับชมพระอาจารย์จากทางถ่ายท้อสด Facebook ฟังเรื่อยๆฟังซ้ำๆตลอดเลยค่ะวันนี้ดีไหมเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำแบบไม่มีกำหนดเวลาลวดี<ท>ค่ะพระอาจารย์เคยเห็นซูมหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยเข้ามา สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เลยค่ะดีมากเลยค่ะโครงการนี้อยู่ไกลแค่ไหนก็รับชมได้ได้ก็พยายามจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆประมาณอย่างไรก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งจนวนใหญ่จะเป็นช่วงเวลานี้เพราะสะดวกช่วงนี้ประมาณเมืองไทยก็ประมาณสองทค่ะสองทุ่มรถทุ่มกว่ากว่ะที่ญี่ปุ่นก็จะเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงค่ะอาจารย์วันนี้ก็สี่นุ่มกว่าแล้วนะ ค่ะค่ะก็หนูก็กค่ะก็คือตั้งแต่ก็คือหนูมาเรียนต่อนะคะตั้งแต่มีโรคระบาดก็คืออยู่แต่ขอแล้วก็เรียนออนไลน์ตลอดเลยะคะ่ะไม่ค่อยได้ออกไปไหนมันก็รู้สึกเหงาบ้างซึมเศร้าบ้างเพราะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์้องพยายามนั่งสมาธิให้บ่อย กำลังนั่งสมาธิจิตสงบแล้วจะหายเหงาความเหงาเกิดจากความอยากอยากมีเพื่อนอยากไปนั่นมานี่อยากเห็นนู่นเห็นนี่พอไม่ได้ทํามันก็เลยเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาเราต้องพยายามหยุดความรู้สึกนี้ด้วยการฝึกสมาธินั่งดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วพอใจสงบหรือใจลืมเรื่องต่างๆมันก็จะหายเงา <c oughs> ต้องขยันนะต้องขยันนั่งสมาธิ ต้อนั่งขนาดนานขนาดไหนคะ่ะพระอาจารย์ถึงจะพัฒนาก้าวหน้านะคะมันไม่ได้อยู่ที่เวลามันอยู่ที่สติถ้าสติดีมันตีห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบสติไม่ดีเช่นกันมันก็ยังสู้กันอยู่นั่นสู้กับความคิดนั่นเราต้องพยายามฝึกสติก่อนมานั่งด้วยนไม่ใช่จะเยาแต่เฉพาะตอนที่เรา น, นั่งเราเคยสอนเสมอว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา พอตืขึ้นมาก็พูดโทรไปเลยอย่าให้มันคิดหรือถ้าไม่พูดโทก็คอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังล้างหน้าแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอันอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้เดลย mm hmm. พอสงบแล้วมันก็ยังนั่งได้งานพราเวลาสงบแล้วมันมีความช่ ค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เรามีความทุกข์มากๆจนมันไม่มีสมาธิในการนั่งสมาธิเราจะต้องข่มใจยังไงถึงจะสามารถนั่งสมาธิได้อะคะถ้าพยายามพยายามท่งททมองพุตโธพฟุตโธไปสวดมนต์ไปหรือถ้าใช้ใช้ปัญญาก็พิจารณาปัญหาว่าตอนนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์เพราะเราถูกขังอยู่ในห้อง แล้วเราออกไปได้หรือเปล่าใช้ปัญญาถามตัวเราเออกไปไม่ได้เราก็ต้องทำใจเราต้องยอมรับสภาพเหมือนฝนตกตั้งแต่มีพายมุมีอะไรออกไปไม่ได้เราก็ไม่ออก oh, <my. S 1> เห็นต้องถ้าเรา oh, <boy. S 1> ิจรจา oh, <boy. S 1> ปัญหาต่างๆเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราทำให้เราทุกข oh. เป็นไรไไลูก แล้วก็ตั้งฮุตโธฮุตโธไปก่อนค่ะใช่แล้วสวดมนต์ไปก่อนค่ะสวดเอทีปิโสไปก็ได้สวดไปหลายหลายรอบสวดไปเรื่อยๆแล้วพอมีความทุกข์ใจก็สวด ไ, ไปสวดไปัระยะหนึ่งใจก็จะเริ่มเรื่องทุกแล้วใจก็จะหายทุกข์พอมันทุกข์ก็สวดไห่ต้องขยันถ้าจะสู้กับความทุกข์ที่เก็บไม่ได้ ดำเนินสติไม่ได้ต้องสู้แล้วเดี๋ยวเราก็จะชนะพอชนะแล้วต่อไปมันจะง่ายทั้งนั้นแรกนี้มันจะยากเพราะเรายังไม่เห็นผลต่อไปพอเราเห็นผลแล้วเราจะมีกําลังใจเราจะสู้ทุกครั้งควมีความทุกมีความวุ่นวายใจก็พุโทโธพุโทโธไปเลยหรือสวดมนต์ไปเลยเอไปดีกว่าหนูนะจะได้ให้คนอื่นรั้สต่อ หมอจะถามอะไรไหมหมอคนต่อไปไเปิไมค์ก่อนจะ้ะเปไมค์ก่อนกัมาสกครับสบายหมอมาจากกรุงเทพคนนี้เป็นลูกศิษยาวัชประจาอยู่มือกันรัอ่มีอะไรจะพูดจะถามไหมนีม่ค่ะพระจาสบายดีนะคะอ่าสบายดี ไ, ยยได้ได้พบปะลูกศิษย์ หายคนเลยเพจะเข้ามาเกือบสามยี่สิบสามสิบคนแล้วมั้ 26, <26. S 1> ค่ะยี่สิบย่ะ26หกครับยี่สิบกคนแล้วครับตอนนี้ยี่สิบกถ้าหมอไม่ถามอะไรก็จะให้คนไหนก็าถามต่อนะค่ะเดีเ๋ยวเรไปดูจอต่อไปคนค่ะคุณ้ำงเนี่ยซ้ำซงเอ็มหกเก้าศูนศูนย์เอนี่อยู่ที่นอกบ้านนะเออ เปดไม้หน่อยสิหายไปรับตรง s m s u n g ทางคุณเออคุณอปิไมโอเคครับาสักการคพระอาจารย์มาจากที่ไหนผมอยู่ชนบุรีครับล่าสุดไปทาไปใส่บาตรหลวงพ่ออยู่ครั้งล่าสุดครับวันพระเอ่อที่บานยครับผมติดตามพระอาจารย์มานานแล้วแต่ <ส><ง>ก็มีคำถามครับคืออยากถามถึงเรื่องความต่อเนื่องของการปฏิบัติครับคือทุกวนันนี้ทุกวันนี้ผมทำํำเป็นพวกออกแบบอบ้านอะไรเงี้ยครับอทีนี้เมื่อก่อนเคยปฏิบัติงานมันยังไม่เยอะมากมันเหมือนมันเก็บอะไรมายังไม่เยอเพะพอเดี๋ยวนี้พอเริ่มทํางานเยอะครับมันเหมือนห่างไปพี่แป้งอาบน้ำเร็วไหมลูกได้นอนเร็ว ไม่ได้มีคนเสียงที่บ้านก็แบบอ่าผมผมตัดแล้วครับผมผมตัดแล้วครับโอเ ค, ออเคก็ต้องพยายามกําหนดเวลาเนี่กําหนดเวลาของการปฏิบัติทําตารางไว้ว่าเวลานี้วันนี้จะต้องปฏิบัติถ้าเราไม่กําหนดเวลามันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาแย่งเวลาไปถ้าเรากําหนดตารางกําหนดเวลาไว้ถึงเวลานี้เราก็ต้องปฏิบัติครับ อย่างยังไปหาพระอาจารย์นะครับเวลาจะไปเวลาได้ฟังคำกลับมาหรือว่าได้เจอพระอาจารย์ได้ใส่บาตรคือตลอดทั้งวันจิตใจมันเหมือนมันมีกําลังมันมันเหมือนจิตมันเหมือนเราเราเหมือนคล้ายค้ายมันยังไงครับพระอาจารย์คือเหมือนเราอยากให้ความรู้ให้ความรู้สึกเนี่ยครับมันมีอยู่ตลอดมันเหมือนต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทาบุญกับพระอาจารย์มันจะแบบเออ รู้ว่าเราเออเราทำความดีแนละ้วเราเอได้เจอครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเวลานา น, านๆเราไม่เออ่ไม่ได้ไปหาพระอาจารย์หรือว่าไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนจิตใจมันห่างเหินไปครับก็จริงฟังได้ทุกวันเนี่ยมีถ่ายทอดสดให้ให้ฟังทุกวันบ่ายสองโมงถ้าดูช่วงสองโมงไม่ได้ก็ดูย้อนหลังได้พยายาม บังคับตัวเองให้ฟังเทศฟังธรรมทุกวันเลยน ะ, บะเบื่อแล้วถ้าฟังของเราเบื่อก็เปลี่ยนอย่างอาจารย์อื่นได้มีอาจารย์หลายลูกท่านดีเป็บเรเอ ง, งอาจารย์ต่างขอครับอ่าขอคุยกัคนต่อไปนะคุณกอล์วิท ม, มัสการครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุราษฎร์ครับ คนที่ไม่ได้คุยไม่ได้พูพก็ปิดปิดไมโครโฟนนะเผื่อเสียงมันแจกเข้ามาอยู่อยู่ที่สุราษฎร์ครับได้ได้ฟังถามตั้งแต่ยุคแรกเลยครับผมยุคที่อัดตอบครับดีใจมาก 4, ครับผมปิติมากน้ำตาจะไหลครับผมแล้วตอนนี้มีอะไรอยากจะถามไหมก็มีครับ ไม่มีนะ้ะาไม่มีรัอาจารย์รักษาสุขภาพานะครับได้ดีใจที่ได้พบปะกันนะยารปฏิบัติไปนะครบพุพระธรรมพผสงฆ์เนอาจารย์น ะ, อะโอเคคุณต่อไปคุณกานิกาจเจริญเกศจะยินไหมคุณกานิกาหยังไม่ได้ยินเสียงก็เอาคุณพิทักษ์ก่อนก็นแล้วกันคุณพิทักษ์อยู่ที่ไหน นั่สัาษณ์ครับอาจารย์อยู่ที่อุดรครับผมแต่ว่าบ้านเกิดเป็นเป็นคนหนองคายครับมาทำงานที่อุดรครับผมตอนนี้ที่ที่อยู่ก็อยู่ใกล้ๆครับวัดป่าบันตาลแล้วครับอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญอยู่บ่อยๆครับในนาลึกถึงลงตาอยู่บ่อยๆครับผมก็ทำทุกวันทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะ ทานศีลภาวนาทั้งสามอย่างนี้สําคัญไม่อย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะทาทานรักษาศีลนะมีเวลาว่างก็ภาวนาพุทโธพุทโธทําใจให้สงบนะก็ติดตามตา ม, มีครับ <laughs> ก็ติดตามพระอาจารย์มาตลอดครับผมแล้วก็นะคอยฟังธรรมช่วงที่ว่าพระอาจารย์อยู่บนเขาครับก็ฟังมาเรื่อยๆฟังมาตลอดก็ บวกกับการปฏิบัติด้วยบางทีมีปัญหาอะไรที่ว่าไม่เข้าใจก็ถามทางเพจถามพู้อาจารย์อยู่บ่อยๆเหมือนกันครับผมอ่อดีวันนี้อยากจะถามอ <c oughs> าจรหรือเปล่าครับผมก็ที่อยากถามพู้อาจารย์ครั้งนี้ก็คือว่ามีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าปฏิบัตินะครับก็เรื่องจิตสงบเรื่องอะไรก็พอจะรู้พอจะเข้าใจบ้างนิดหนึ่งแล้วก็ ประกอบกับการที่ถามกับพระอาจารย์ด้วยที่พระอาจารย์ได้แนะนําว่าถึงวิธีนี้มันต้องทําอะไรยังไงต่ออย่างนี้นะครับเอถึงความสงบแล้วทีนี้มีครั้งหนึ่งก็นั่งไปมันก็มีเวทนานะครับก็ปวดขาปวดอะไรขึ้นมาทีนี้ก็เจ็บมันก็ไปกังวลอยู่กับความเจ็บปวดอย่างนั้นแหละครับคราวนี้เราก็ใช้ปัญญา เข้ามาสอนใจตัวเองนะครับบอกว่าเทียบเปรียบเทียบกันดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนตายแล้วเขานั่งแบบนี้เขาจะมีความรู้สึกเจ็บปวดไหมจิตมันก็ตอบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีจิตใจในร่างกายนะั่นแล้วร่างกายความเจ็บปวดมันก็อยู่เช่นนั้นเหละแต่ ว, ว่าจิตใจมันไม่ได้อยู่ร่างกายมันก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดนะีครับทีนี้พอมันรู้สึกอย่างนี้ได้แล้วใจมันก็ไม่ได้ไปทุก ไปเดือดร้อนอะไรทุความกิพวตมันก็อยู่กับความกิพวตนั้นได้ถูกไหมครับอาจารย์นั่นแหะคือแยกจิตแยกเวทนาแยกกายออกจากครันจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวทนาอยู่ที่ร่างกายมาจากร่างกายจิตไม่ได้มีเวทนาจิตเพียงแต่เป็นผู้มารับรู้จิตรู้เฉยๆแล้วจิตจะไม่ทุกข์จิตทุกข์ก็จิตอยากให้อยากให้เวทนาหายไป พอพิจารณาปั๊บมันก็ไม่ทุกข์มันก็ปล่อยวางปล่อยเวทนาให้มันเป็นไปเวทนาเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถูกต้องแล้วทำทได้บ่อยๆแล้วเปล่าก็ทำได้เรื่อยๆหรือเปล่าก็มีพักหลังๆนี้ก็จะห่างมิดหนึ่งกอปาจัยนแต่ก่อนหน้านี้ก็ทุกวันนะครับเออเดีก็ พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับผ ม, มให้คนอื่นก็คุยต่อนะครัรักษาทาตกขันด้วยนะครับอาจารย์ครับค่ะสาธุคุณซ a m s u งเอ m เอ็มหเก้าูศูนย์เอมีอะไรอยากจะพูดไหมอเปิดเสียงก่อนหมอเหรอหมไม่ชัดอยู่ที่ไหน อเปิดเสียงอยู่ที่ด้านซ้ายมือด้านล่างของจอ อ, อยู่อเมริกาค่ะอ๋อตอนนี้ตอนเช้าใชนะ่ะอตอนเช้าเจ้าค่ะอยู่รัฐไหนหนูอยู่รัฐเออโนสค尔เวลนาค่ะรัฐแคลิร์เนีก็ประมาณประมาณเท่าไหร่เก้าโมงนะเก้าโมงกว่าเจ้าค่ ะ, ะ <laughs> ติดตาม ตามเพจ น, นี้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าหนูเพิ่งเข้ามาดูได้เดือนกว่าค่ะน่าจะได้เดือนกว่าพอาดีว่ า, าหนูอยู่กลุ่มในกลุ่มธรรมพอดีว่ามีมีเทปบรรยายของพระอาจารย์ก็เลยเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะ อ, อยู่เมือง อ, อ, อ, อะไรนอตแรน์หน้าอยู่นิวเบิร์นค่ะนิวเบิร์นไปอยู่านานมานานหรือ ย, ยังเป็นคนที่นั่นแล้วเหรอ หนูอยู่หนูเป็นคนที่นี่ค่ะหนูมาอยู่ที่นี่แปดปีแล้วค่ะเออค่ะทำทำงานหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ทำงานค่ะอยู่บ้านเฉยๆพอดีว่าสามีเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วค่ะเออตอนนี้อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วก็พวกลูกๆ ก, ก็ไปเรียนกันหมดก็คือว่าอยู่บ้านก็บางทีก็นั่งอยู่กับลอกไม่รู้จะทำอะไรก็บางทีก็นั่งสมาธินะคะ ช่วงเช้าทําทําช่วงเช้ากับ ช, ช่วงเย็นนะคะดีที่เสด็จไสมาธิบางทีลุลุรู้สึกเบื่อเบื่อค่ะรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยมานั่งสมาธิเดีแลวละ่ะนั่งไปเรื่อยๆเนะวลาไ<ะ>ม่รู้จะทําอะไรก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปเท่านั้นเองค่ะที่ช่วงนี้ยมันจะมีช่วงช่วงเวทนาเยอะมากมันมันจะเป็นช่วงเวทนาที่ว่าปวดทางด้านหลังนะคะด้านหลังของของหนูนะคะ แล้วก็บางทีมันก็ระ ง, งับได้นะคะบางทีแบบจิตมันไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปนสนใจเลยมันคือว่าบอกกับตัวเองว่าปวดก็ให้ป่วยไปจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวกันเพราะบางทีมันมันก็คือว่ามั น, น ม, มันก็นั่งสมาธิได้ตลอดเลยนะคะแต่บางทีมันก็ก็เ ร, เราแยกจิตได้เราก็จะไม่เราก็จะไม่เดือดร้อนค่ะเชิญต่อ มันมันมันมันมันเป็นบางช่วงบางช่วงมันค่ขาเมเวทนาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์บองช่วงไม่ได้ก็ลองลองสวดมนต์ไปดูดสวดดีซีปิเซิลไปเล็กน้อไปแล้วจะมีห น, หนูว่าหนูจะเป็น<ด>อะไรที่แปลกอยู่อย่างหนึง่ง<ด>เวลาสวดมนต์จิตจะไม่สงบแต่ทําไมเวลานักสมาธิ จ, จิตถึงสงบมันแตกต่างกันมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเวลาสวดตอนนี่มันยังใช้ความคิดอยู่ แต่เวลานั่งสมาที่นี้เราไม่ได้ใช้ความคิดหมือนก็นเลยสี่บอกว่าถอนะคะ<อ>แต่บางคนที่นั่งนั่งสมาธิไม่ได้ต้องอาศัยสวดมนต์ก่อนเพราะว่าสวดมนต์จะช่วยให้ความคิดน้อยลงก่อนก็ ถ, ถึงมาดูลม<อ>ได้แต่ถ้าเราดูลม<อ>ได้โดยที่ไม่สวดมนต์เราก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ดูลมไปเลยแต่เวลานั่ง<อ>นาน เวลามันทุกขขึ้นมามันเจ็บขึ้นมาบางทีสวดมนต์ก็จะช่วยได้เจ้าค่ะตอนนี้หนูหนูใช้ใช้เอ่อการดูลมหายใจในการนั่งสมาธิเจ้าค่ะดีดีวิธีดีไม่อเสียงใครไม่รู้นะฮะอย่าเปิด <c oughs> ปน่าจะเป็นคุณกัลยาฮะคุณกาลยาเห<อ>็นนะฮะถ้าคนที่มีเสียงในบ้านช่วยปิดไมเวลาไม่ได้คุยกัน ก็ไม่ปิดไม้ไม้ดังเนีไงคุนกัลยาปิดไม้นะครับตามซุ่มต่อได้เลยเจ้าค่ะเอ่อจะเป็นคือว่าหนูจะติดนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมหนูไม่ชอบเดินจงกรมได้ได้เอาแบบไหนก็ได้บางคนชอบเดินมากกว่านั่งบางคนชอบนั่งมากกว่าเดินหนูเดินหนูเดินเคยเดินจงกรมแล้วแต่เดินแล้วจิตไม่สงบแต่เวลาหนูนั่งสมาธิจิตหนูสงบ ถ้อันไหนทำให้จิตสงกบก็อันนั้นแหละถูกต้องเจ้าค่ะเ <นะ S 2> ออเราหัดเดินปัญญาด้วยสินะต่อไปหัดพิจาจรณาทุกอย่างไม่เที่ยงนะร่างกายเราร่างกายสามีเราลูกเราใครทั้งหลายในที่สุดก็ต้องไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนเจ้าค่ะหนูเคยพิจารณาตอนที่ว่าตอนที่ว่าสามีเสียไปก็คือว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนอย่างเขาแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าเสียใจนะเจ้าค่ะ ความเสียใจนี่มันมันหยุดไม่ได้แต่ว่าเราหนูก็หันมาบอกตัวเองว่าวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องตายวันนี้เขาตายอีกวันหนึ่งเราก็ต้องตายไม่แตกต่างกันความตายเป็นของเที่ยงเจ้าค่ะพอคุยกับตัวเองว่าเราเราเสียใจมันมันทำอะไรให้ดีขึ้นหรู้ป่ะเสียใจทําไมเจ้าค่ะเคยถามเจ้าเจ้าค่ะมันไม่มีไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมีแต่ทําให้ทุกข์ใช่ พยายามปลูกฝังตัวเองแล้วก็วแล้วมันเป็นแล้วแล้วเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวบางทีลูกสาวถามว่าแม่ไม่เหงาหรออยู่คนเดียวไม่ออกไปทำงานพอดีว่าบอกว่าไม่เหงาเรกอยู่คนเดียวเราสามารถเจริญสติปัญญาได้เยอะ<ม>การที่ว่าเราออกไปข้างนอกอะ่ะหนูเป็นคนว่าพูดแบบว่าพูดแล้วไม่ค่อยคิด รู้เลยว่าเป็นคนเวลาพูดอะไรแล้วไม่ค่อยคิดเท่าไหร่มันจะเป็นที่ว่ามันพูดพูดเพอเจอร์น่ะจ้ะค่ะเอต้องระวังหน่อยก่อนจะพูดอะไรนะต้องต้องต้องมีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรเราสึงภาพพยายามที่ว่าจะจะไม่ค่อยออกไปไหนคือว่ามีเวลาอยู่ที่บ้านก็จะนั่งสมาธิปฏิ ป, ต, ปติไปเรื่อยๆเวลามีเวลานะคะได้ดีถูกต้องนั่หะ ถ้ามันจำเป็นก็อย่าไปที่ไหนเลยอยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดจะได้ปฏิบัติตาม่หจิตมีความสงบมีความสุขออกไปแล้วเรื่องอาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามานะเจา้าไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นไม่ต้องออกคนก็อาจจะจาหาว่าเราแปลกนะก็ะไม่รู้หรอกว่าเคล็ดลับของความสุขมันอยู่ที่การที่เราอยู่คนเดียวมากใช่ไหมเจ้าค่ะบางทีจิตสงบเนี่ยเคยนั่งอยู่ครั้งแต่ ทุกวันนี้ไม่เกิดนะเจ้าค่ะช่วงแรกๆเวลานั่งใหม่ๆเหมือนร่างกายเราหายไปเลยมันไม่มีอะไรเลยเหมือนมีจิตผู้รู้อยู่แค่คนเดียวเจ้าค่ะรู้วัฒนาความสงบนะเวลานั่งแต่อย่าไปคิดอย่าไปคิดถึงมันให้อยู่กับลมลมลมนะถ้าไปคิดถึงมันมันจะไม่มันจะไม่สงบนะเจ้าค่ะครับคุณเจ้าค่ะ บางคนเคยว่างแล้วพอเวลานั่งทุกครั้งก็คิดถึงผลที่เคยได้มันก็เลยไม่ได้สักทีนะเ จ, ะจะ้าเจ้าค่ะลองจอดดูแต่ลมอย่างเดียวไม่ต้องสนใจว่ามันจะสงบไม่สงบให้อยู่กับลม<ะ>ไปแล้วเดี๋ยวมันมันจะสงบเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเอาคัานี้ก่อนนะเดี๋ยวให้กดต่อไปนะเจะ้าค่ะสาธุค่ะคุณการิการ จเจริญเก่ไอ้เมื่อกี้พูดแล้วยังพูดแลนะ้วใช่ไหมคุณกานิกาอ่าคุณแจ้งคุณแจ้นอ่าเปิดเปิดมคก่อนคุณแจ้งา อ, อ, อยู่ด้านอ่าเปล้อยู่ที่ไหน้องสกัอาจารย์ค่ะอาจารอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินอยู่ที่จ้าหนูพึ่งลงมาที่ตรังค่ะความตั้งใจ ควตั้งใจก็คือว่าจะมาเก็บตัวภาวนาค่ะเออดีค่ะตั้งใจเก็บ<ะ>กัน<ะ>ยังเพิ่งเพิ่งมาถึงวันนี้ค่ะอาจารย์ตั้งใจว่าจะจะตั้งใจสักประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็จะเก็บตัวที่ไหนเก็บที่วัดหรือเก็บที่ที่ ท, ท, ที่ตอนนี้เป็นที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าบ้านไม่มีใครอยู่ค่ะอ่าได้ถ้าไม่<ะ>มีใครอยู่ก็เหมือนวัดน ะ, ะก็จะขอเอ่อ ควเมตตาพระอาจารย์ค่ะเนะช่วยช่วยพระอาจารย์เมตตาแนะนําเอวิธีที่เราจะชนะความขี้เกียจนี่นะคะก็พยายามนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเรากําลังไหลกระสุนความตายเวลาเราอยลงไปทุกวันทุกวันมันก็จะกระตุ้นให้เราเกิดความปัญญ์ขึ้นมา แล้วก็ในในตัวในตัววิธีการนะคะหนูใช้ดูลมแล้วก็เดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยถ้าคือเราเราควรจะทำตลอดเวลาทั้งวันไหมคะทั้งวันเลยสตินี่ต้องคอยมีอยู่ตลอดเวลามไม่ต้องดูลมก็ได้เวลาเราไม่ได้นั่งนะดูร่างกายแทนหรือว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ กำลัง<ฆ>แปลงฟันก็ให้ดูการแปลงฟันไปเพราะมันดูง่ายกว่าลมมัน<ฆ>ยากเวลาไม่นั่งดูมันละเอียดเน้<ฆ>ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียกว่ากายกตาสติ<ฆ>อย่าไปดูอนาปนสติลมนี้มีไว้สำหรับเวลานั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะ<ฆ>ไรแล้วเวลาทำไรนี้ให้ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าให้ใจไปที่อื่นค่ะ เคยนั่งเคยนั่งแล้วเ อ, อคือจนจนถึงมันปวดมันอะไรทั้งหลายอนะคะ่ะพระอาจารย์เ <c ười> สร็จแล้ว ก, มก็มันก็มันก็ผ่านไปจากมันก็มีปวดอยู่แต่เราก็เห็นมันแต่ว่ามันมันไปถึงจุดหนึ่งที่ ท, ที่มีความว่างว่างไปเลยอนะคะ่ะว่างแบบแต่เราก็ยังเห็นความว่างนั้นอยู่ <c ười> ยก็ไม่ทราบว่าจะจะจ ะ, จะดูอย่างอะไรต่ออนะคะ่ะก็ดีให้มันว่างไปนานๆไง ความว่างนี่แหละเป็นความสุขความสบายอยู่ที่ความว่างนะแล้วนั่งสมาธินี้เพื่อให้ให้เกิดความว่างความสงบไม่ได้เกิดปัญญาเนะข้าใจไหมนั่งสมาธินี้ไม่เกิดปัญญานะ จะก่อปัญญานี้ต้องรอเวลาไม่ได้นั่งสมาธิแล้วแต่เราก็ยังเห็นกันว่าก็ไม่ทราบว่าจะดูยังไงก็ว่างเลยนะจุกต่างว่าใเกยนะเป็นการอะไรก็มาเลยมีเสียทัาทน เาะวาไม่ได้เิดปัญญา่างๆานาที่ไม่ได้เปิดปัญญาปดปัญญาตเาไม่ได้ปัญญาแต่รนกนว่า้องน่ารมแล้วครับอ่าหมดแล้วค่ะท่านครับโอเคขอความกรตุ้นะท่านที่เข้ามาในห้องถ้าช่วงที่ยังไม่ได้พูดช่วยกระตุ้ปิดไมโครโฟนไว้ก่อน ให้คนที่ก็พูดเปิดไม้เพียงคนเดียวมันจะได้ไม่มีเสียงมารบกวนกันโอเคนะอยากจะถามอีไหมตอนนี้ยังค่ะขออนุญาตปฏิบัติก่อนแล้วถ้าเกิดมีปัญหาจะถามค่ะได้ได้พยายามนะสู้ไม่ถอยนะหลวงตาท่านบอกให้สู้ไม่ถอยใช่ค่ะก็ดูฟังคำหลวงตาทุกวันแล้วรู้สึกมันมันมีกําลังใจเิติมีกําลังใจหลวงตาท่านปลูกกาลังใจให้เราอ่ะนะโอเคนะ อะไรอะไบกันคุณนักชาอยู่ติดกันเลยคุณนักชาเปิดไม้ได้สยู่ที่ไหนะหนูอยู่กรุงเทพค่ะอยู่แถวสนามบินสวรณภูมิค่ะอ่อค่ะมีอะไรอยากจะถามไหมหนูอยากจะถามว่าคือหนูหนูตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิประมาณร้อยวันนะค่ะวันละหนึ่งชั่วโมง ทีนี้หนูว่าฟังฟังในยูทูบปะค่ะหลายครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือคือหนูนั่งมาได้ประมาณสิบสองวันแล้วก็มีวันที่เหมือนคิดฟุ้งซ่านบ้างแล้วก็บางวันก็สงบบางวันก็มีเหมือนกับว่าสองจิตนะคะอาจารย์คือคือเหมือนกับว่า มันคิดแล้วมันก็แบบยังเกาะอยู่ตบลมหายใจคือลมหายใจยังไม่หายไปแต่ก็มีความคิดขึ้นมาคือคือเหมือนพอฟังพระอาจารย์แล้วคือพระอาจารย์บอกว่าให้ให้ตัดทิง้งตัดทิ้งใช่ไหมคะแต่บางทีมันก็เหมือนผูดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเราก็รู้ว่าแบบแหนะ่คิดอีกแล้วคิดแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าหนูหนูฟังหลายทางแล้วหนูก็เลืบางบางองค์ก็บอกว่าให้รู้ว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วหนูควรจะจะไปในทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูควรจะอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมเวลานั่งหนูต้องมีอะไรกํากับใจพุโทโธก็ได้หรือลมก็ได้แล้วถ้าอยู่กับมันอย่างเดียวมีความคิดเข้ามาก็อย่าไปสนใจความคิดเราไปหยุดันไม่ได้ถ้าถ้าเรากเกาะติดกับพุโทโธไปหรื อ, อเกาะติดกับลมไปถ้าเดี๋ยวความคิดมันจะหายไปค่ะอาจารย์แล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าบางทีอ่ะ พุดโทพุดโธหายไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เหมือนกับว่าเหลือแต่ลมหายใจแล้วทีนี้หนูก็เลยเหมือนกับว่าอา่าเราเราก็ดูดลมหายใจไปถ้าพุดโธหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าหนูฟังมเยอะเกี่บเกืบขาดแล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งลมหายใจหายแต่ว่ารู้ว่าตัวกระเพื่อมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คื อ, อ, อคือมันถูกหรือเปล่าคะกลัมกลับมาหาลมกลับมาหาลม ดึงกลับมาคือถ้าเกิดว่าเราบางบางบา ง, บางท่านก็จะบอกว่าแบบเออถ้าหายไปไม่ต้องดึงพุโทโธกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเหมือนกับว่าตกตกลงต้องดึงกลับมาหรือไม่ดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้ามันสงบก็ไม่ต้องดึงแต่ถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องดึงกลับอ๋อค่ะค่ะแล้วแล้ ว, ลวหนูงงขออยากรู้เรื่องหนึ่งอะค่ะอาจารย์คือแบบอย่างมาโนโมยิทธิกับ กรสินอย่างเงี้ยค่ะเราเราควรจะฝ<ม>ึกไหมคะไม่จาเป็นอะ่ะมันเป็นสมาธิเหมือนกันค่ะฝึกพุทโธฝึกสติไปแล้วก็นั่งสมาธิดูลมไปแค่นี้ก็ได้ผลได้สมาธิเหมือนกันไม่ต้องเอาหลายอย่างเหมือนกินข้าวเนะี่ยเราเอากับข้าวอย่างใดยอย่างหนึ่งก็พอละไม่ใช่จะเอา ก, กินทั้งโต๊ะเลยมีกับข้าวสี่ห้าเจ็อย่างก็เอามันหมดเลย ค่ะเหมือนการเหมือนเหมือนอยากพิสูจน to ์อะไรอย่างเงี like ้ยค่ะจะจะไปพิสูจน์เลยเราไม่มีเวลาพอที่จะมาพิสูจน์แล้เพราะของมันมันใช้เวลามากค่ะเอาเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่มันถูกเจริญกับเราแล้วยึดกับยึดมันไปดีกว่าค่ะแล้วเราอย่างเงี้ยเวลาเรามานั่งแล้วมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นความอยากไหมคะคือเหมือนกับหนูแบบหนูตั้งใจว่าหนูจะทําอยะไรเงี้ยแล้วหนูเวลาอยากนั่งไม่เป็นไรเป็นธรรมะไม่ได้เป็นกิเลส ถ้าอยากดูทีวีถึงเป็นกิเลสถ้าอยากอยากจะนั่งสมาธินี้เรียกว่ามรรคไม่ใช่กิเลสเป็นทางของการหลุดนยี2 8ิบห้ายี่ิบแปดิบเก้าอยากปฏิบัติได้อยากปฏิบัติได้ค่ะอาจารย์แล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะสีนห้าค่ะคือแบบเราเราฉีดยาไล่ยุงได้ไหมคะอาจารย์อ๋ออเฟลยานี่ถ้าทาให้มันตายไม่ได้ ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าถ้าเราถ้าเราทายาทายาแล้วกันแม่มามากัดนี้ได้อ๋อถ้ายากันยุงได้อยู่ถ้ายากันยุงได้อยู่หรือว่าถ้าฉีดยาฮะอย่าไปฉีดที่ตัวมันฉีดไกลใให้มันเวลามันมาแล้วมันได้กลิ่นแล้วมันหนีไปนี้ได้แต่เห็นยุงเกาะเห็นยิ่งเห็นยุงอยู่ตรงนี้ก็ฉีดใส่มันเลยนี้แล้วมันก็ตายไม่ได้ค่ะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะ ค่ะสิถือสิบแปดอะค่ะอาจารย์สมมติว่าเราต้องทํางานด้วยเราก็อี้ที่เราต้องนั่งเขามันสูงเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการว่าที่นั่งที่นอนสูงอย่างนี้มันหมายถึงว่ามันมันแบบมันสบายเข้าใจไหมแบบโซฟาหนาหนั่งรู้สบายทําให้ขี้เกียจปฏิบัติเข้าใจป่ะพอมันสบายแล้วมันจะขี้เกียจปฏิบัติอ๋อค่ะก็ใช่แต่เวลาทำานเนี้ เวลาทํางานนี้เราก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วกยากไปจังหวะอ๋อถ้าอย่างนี้เราถ้าเราไปทํางานเราก็ควรจะเว้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเสถียนเสถียนสถียนข้าก็พอค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าเสถียนข้อเสถียนข้อไหนได้ก็ถือไปถ้าถือเสถียนข้อหกได้ก็ถือไปเสถียนข้อเจ็บถือได้ก็ถือไปเสถียข้อไหนถือไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนคอาจารย์แม่แม่เอือ ค่ะแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะหนูจะไม่รบกวนคุณอีกแล้ว <S <S คื อ, ค, อ, อคือหนูหนูเคยหนูเคยปฏิบัติที่เหมือนเน้นวิปัสนาแต่ว่าหนูคิดว่ามันจะมันเกิดจากการสัญญากับสังขารที่หนูหนูแบบหนูฟังมาเยอะแล้วหนูก็ไปปรุงแต่งว่านี่เกิดดับนี่คือการเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เกิดจากปัญญาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ต้องอาศัยสัญญาสังขารคิดไปก่อนอแล้วพอ พอไปเจอของจริงเราจะได้บอกเนี่ยเวลาเจอคนตายนี่เราจะบอกพ่อเนี่ยดับแล้วค่ะพอดับแล้วเขรู้ว่าเมื่อแล้วเราไม่เสียใจยถ้าเสียใจยก็แสดงว่ายัางยังไปยังไม่เห็นการดับยังไม่รับความดับยังอยากให้เขาไม่ดับถ้าตอนน้นเดับแล้วบอกเออนี่แหละมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีเกิดมีตายเป็นธรรมดา ไม่ใจไม่ร้องไห้อะไรถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาอต่ต้าเราไม่นึกคิดไว้ก่อนต้องนึกคิดเตือนไว้ก่อนสอนตัวเองไว้ก่อนทุกอย่างมีเกิดมีดับแต่เราชอบให้มันเกิดแต่ไม่ชอบมันดับใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยร้องห่มร้องไห้กันเราเลยก็คิดไว้ล่วงหน้าค่ะเราเราบางทีเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นเหมือน มันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเอ้อเหมือนมันมีความแบบเฮ้ยใช่เลยมันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่เราเหมือนปิ๊งขึ้นมาเองแต่ทีเนี้นด้วยความที่เหมือนกับว่าเราโลภว่าเราอยากจะจํามันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จําจําไม่จําความรู้สึกนั้นไม่ได้อีกบางทีก็คิดคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้ามันยังถ้ามันต้องใช้ความจําอยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะไม่ลืมนะค่ะ ถ้มันเลิมก็ไม่เป็นไรเถือว่าเป็นสัญญาสัญญาที่จะนะใช่ไหมเอาแล้นะให้คนอื่นร่างนะคุณนัชชาได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอคุณไอโฟนอยู่ติดกันถ่ายแว่นเนี่ยได้ยินไหมถ่ายรูปแฟนอยู่เนี่ยไอโฟนคุณไอโฟนถ่ายแว่นเนี่ยได้ยินเสียงไหมใช่ผมนะครับ ใช่ที่สายแว่นเนี่ยไอฟโฟนที่ถือถือมือมือถือถอยู่เนี่ยอ๋อคนนี้คนที่ไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยอยากจะพูดคุยอะไรไหมสายแว่นเนี่ยไอฟโฟนที่ถเอาไว้กอดกันแล้วกันนชะ่เดี๋ยวเอาคนที่ไม่ได้ใส่ก็ไปอยากจะพูดคุยอะไรอะไรไหม อัเหมือนวิ่งไปวิ่งมาคุณคุณเศษฐะคุณเศษฐวันน่าสุขพัสสิทธ์เปิดไม่หน่อย อ, อยู่ที่ไหนอ่าอยู่กรุงเทพครับพระอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะถามไหมอ่ามีครับพระอาจารย์อ่าจริงๆก็ศึกษาธรรมะมาพอสมควรปฏิบัติมาพอสมควรครับแต่ช่วงหลงังๆเนี่ย พอหน้าที่การงานมากขึ้นควารับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยก็โอกาสปฏิบัติน้อยเลาอยากจะมาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าระหว่างในการใช้ชีวิตประจาวันในการทำงานเราจะทำยังไงเพื่อให้ยังสามารถปฏิบัติและยังมีความก้าวหน้าได้ต่อไปนะครับเราก็ต้องลดการทางานให้น้อยลงเราต้องเอาดึงเอาเวลาจากการทำงานมาให้กับการปฏิบัติ เหตุผลมันเป็นอย่างนี้ถ้าเหตุมากผลก็มากเหตุน้อยมันผลก็น้อยปฏิบัติน้อยผลก็น้อยปฏิบัติน่าผลก็มากวิธีที่จะากจะเอาเวลามาก็คือให้เราคิดถึงความตายบ้างคิดถึงความตายอยู่เรื่อยเดี๋ยวเราก็ต้องตายกันแล้วตายแล้วเงินทองที่หามาได้เข้าของที่หามาได้นี้ทิ้งไปหมดเลยงัย้นพอเราเห็นความตายแล้วเราก็จะได้ลดความโลภในการที่จะหาอะไรต่างๆมา หาาหาปัจจัยสีป่ปลาพออยู่พอกินก็พอถ้าเราหาปัจจัยสี่เราก็ไม่ต้องทํางานมากใช่ไหมครัครับเอ่อผมเองเคยบวชมาแล้วทั้งหมดก็ห้าครั้งนะครับพระอาจารย์ใช่ห้าโมนนะใช่ห้าโนครับครับเอ่อทุกครั้งเนี่ยถ้ า, ม, า, ามีโอกาสอ่าเช่นมีโอกาสหยุดสักสามสี่อาทิตย์ก็จะไปบวชอ่าหลายๆครั้งที่บวชครั้งหนึ่งจิตใจก็สงบมามาก ก็ได้อะไรมามาทุกวันนี้เนี่ยผมถือแลรักษาศีลห้าอยู่ทุกวันแล้วก็รักษาศีลแปดทุกวันพระเมตตากรากว่าสิบปีแล้วครับ<ร>อาจารย์ครับนั่ะแหละคุณติดอยู่ตรงนี้เพราะคุณให้กับเวลากับการปฏิบัติเท่านี้มันก็ได้เท่านี้งั้นลองลอ ง, ลองเพิ่มเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นลดการทํางานให้ให้น้อยลงครับับบใช้เงินให้น้อยลงซื้อของให้น้อยลงนะจะได้ไม่ต้องหาเงินมาก พระเจบอกให้มักน้อยมักน้อยในปัจจัยสี่ในเงินข้าวของเงินทองของพวกนี้มันไม่ใช่ถึงนความสุขแท้หรอกมันเป็นความสุขปลอมตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้เราความสุขแท้คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติดีกว่าครับรัจจัยนะกราบครับขอบกราบขอบพระ ค, ค, คุณพระาจารย์ครับให้คนต่อไปนะคุณพรรุดา เยู่ติดการเนี่ยคุณพรรดาใช่ไมเ้ยเนไหมเชิญพูดได้เลยมาจากที่ไหนคุณพรารูดาุณะตะการเนี่ยอุณาตกรรใช่อ่มพูดได้เลยออกเสียงยังไม่มาเสียงขาดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวก่อน กดเพื่อเปิดไม่นะครับคุณกดเปิดไม่ฮะยังคนนีอยู่กดไปที่ปุ่มซ้ายล่างฮะที่เป็นรูปไม่ฮะสัญญาณอาจจะขาดหายไปมันก็เลยติดต่อไม่ได้ง้นเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เพราะว่าด้ไม่ดีเวลา มีสองคนเนี่ยใส่หน้ากากอยู่บ้า น, นยังต้องใส่หน้ากากด้วยนะ <c oughs> เป็นหัวเวยหัวบายเจ็ดเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีเสียงตอดอไปหาคนที่มีเสียงไม่มีูบาไม่มีใครเลยไม่มีเสียงถ <c oughs> ้าบอกก็เข้ามานะ <c oughs> ม, มาเว้ยถ้าบอกจะเข้ามานะาสุพัฒนาสุพัฒนาได้ยินไหมคุณสุพัฒนามาเว้ยถ้าบอกจะเข้ามานะ สพัฒนาพัฒ น, นาได้ยินไห ม, มเสียงยไปแล้วคุณดูไต้หวันได้ยินหรือเปล่าคุณดูไต้หวันอ่ใครจะพูดก็ได้เปิดไมาแล้วก็พูดเลยโอากาสครับผมน้อเชชื่ออะไรนลวิทย์ครับนลวิทยอยู่ที่ไหนอยู่สุราษครับผมที่เมื่อกี้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหม ครับครับคุยเป็นละครั้หนึ่งครับมีอะไรเหรอผมจะขอสร้างรูปพระจานร์ไว้หน้าโต๊ะทำงานได้ไหมครับพอดีได้ได้ไทาสบายเลยขอบคุณมากั้งขอบคุณขอบคุณครับโอเคล้าใครอยากจะพูดพูดเลยตอนนี้ไม่รู้จะถามใครนะคุณกันิกาเหรอ อยจะพูดไหมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีฝากใเสียงใครใครมาริวันค่ะมาิวันมาจากที่ไหนอยู่เกษตรค่ะมหาอยู่ใกล้ใกล้มหาลัยเกษตระค่ะกรุงเทพค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอยากจะกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะว่าคือขณะนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่ที่บ้านคือตอนเนี้ย ตัวเองเป็นข้าราชการบํานาำแล้วไม่ได้ไม่ได้ทํางานทีนี้เวลาอยู่ทํางานที่บ้านเราก็จะแบบทุกครั้งที่เราทําอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยล้วก็จะพยายามที่อย่างที่ท่านอาจารย์สอนก็คือว่าให้ให้เรามีสติพุโทโธหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าแล้วก็ก็จะไม่ดูไม่ทีวีหรือ ละครอะไรไม่ไม่ดูแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอะไรก็จะอยู่ที่บ้านตลอดนะคะก็พอดีพอดีที่บ้านไม่ไม่ค่อยมีค น, นะคะ่ะมีแค่อยู่แค่สองคนกับลูกก็ก็เลยคิดว่าแ ต, แต่แต่บางครั้งมันมีความรู้สึกว่ามันแต่ก็น่าสมาธิด้วยนะคะสวดมนต์ด้วยบางทีมันรู้สึกมันเบื่อเบื่ อ, อะคะ่ะบางครั้งมันมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะคะ่ะมันแต่ไม่ทราบว่าคือเราปฏิบัติน้อยไปหรืออะไรยังไงอะคะ่ะ คอผลมันยังไม่เกิดตอนนี้เรากําลังเหมือนปลูกต้นไม้อยู่นะใจเยน็นๆพยายามลดน้ําควเดินไปเรื่อยๆตอนนี้พยายามฝึกสติเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องหัดนั่งด้วยนะอย่าอย่าอย่าค่ะอย่างที่เค ย, ยนะกราบเรียนเคยกับเรียนถามท่านพระอาจารย์พอดีดิฉันก็อายุหกสิกว่าแล้วก็พอดีมีปัญหาเรื่องเข่าค่ะก็เลยจะนั่งเก้าอี้แต่ท่านบอกว่านั่งได้ดิฉันก็นั่งเก้าอี้แล้วก็ บางครั้งก็ก็ก็โอเคอะค่ะแต่ว่าคืออย่างเดินจงกรมเนี่ยบางทีเราเดินอะไรอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยบางทีพอก้าวขาเดินปั๊บใจก็นึกพุทโธเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพยายามจะมีสติอยู่กับพุทโธตลอดทุกทุกระยะถ้านึกได้แต่บางทีก็มีหลุดหมปหลายครั้งเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรนเวลาปฏิบัติแรกๆมันก็ล้มลุกคลคลานไปก่อนสติแล้วก็หาแล้ว เราไม่ได้ถือสินแปดถือสินห้านี่มันมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถแจ้ก้าวหน้าได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเราขาดข้อไหนนะที่มันทําให้เราถือสินแปดไม่ได้คือตอนนี้แบบว่าน้ําหนักมันลงมากแล้ค่ะคุณหมอที่ประจําตัวก็ก็กําลังจะตรวจตรวจเลือดตรวจอะไรดูว่าเป็นอะไรทีนี้ก็เลยก็เลยหยุดถือสินแปดไปก่อนนะคะ่ะไม่ทราบเป็นอะไร อดกินอดข้าวเย็นเลิกอดข้าวเย็นไปใช่ไหมใช่ค่ะอ่าน้ําหนักมันลงไปเยอะ ถ, ถ้ามันกินน้อยๆกินแล้วไม่ง่วงก็ไม่เป็นไรเขาก็เป็นปากินข้าวแคบบ่ว่ากินข้าวแบบกินยา ไ, ไปอืมแต่แต่ว่าเรื่องเรื่องพวกเสริมความงามอะไรนี้ก็ไม่มีแล้วดูหนังนดูละครก็ไม่มีแล้วนีน่ครับเรื่องปัญหาเรื่องการกินแค่เนี้ค่ะนอนนอนมากก็ไม่มีใช่มนอนนอนไม่ไม่มีค่ะก็จะ ก็จะนอนไม่มากอะค่ะก็เป็นตีห้าแล้วก็จรวจมลนั่งสมาธิแล้วก็บางทีก็อย่างตอนบ่ายก็จะฟังพระอาจารย์แล้วก็ในช่วงเวลากลางวันก็จะเปิด youtube ฟังพระอาจารย์บางทีก็หลงตาบ้างหลวงพ่อชาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะฟังตลอดไม่ไม่ได้ฟังเพลงพอพอพอมีเพลงจะเบื่อครับมันแล้วไอ้เรื่องเรื่องเรื่องรื่เรื่องร่างกายน้ําหนักน้อยนี่ มันทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าละก็เหนื่อยเหน่อยอะค่ะมันก็เหนื่อยเน่อยเพราะ ม, ม, มันเหนื่อยจากการไม่มีอาหารกินหรือว่ามันเหนื่อยเพราะอะไรเออก็ยังยังไม่ทราบอะค่ะเดี๋ยววันเอวันวันพระรหัสจะไปตรวจเลือดดูค่ะหมอก็จะเช็คไทรอยแล้วก็จะเช็คพวกมะเร็งอะไรพวกนี้อค่ะก็ก็ก็สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่หมอบอกจะเช็คตรงนี้เราก็มาดูตัวเองว่าเอ๊อถ้าเราเป็นเราจะรู้สึกอะไรไหมก็ เป็นก็ ก, ก็พยายามอย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่าคือเป็นอะไรมันมันทุกอย่างมันมันมันเป็นทุกคนก็ต้องเป็นมีอะไรก็ต้องตายต้องอะไรก็รู้สึกว่าไม่กไม่ไม่ไม่ได้กังวลกังวลว่าเอะเราจะต้องไปเช็คเลือดอีกสองเดือนแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็แรกๆอาจจะเป็นบ้างเดือนเดือนเดืนคำแรกที่หมอจะสั่งตรวจก็จะรู้สึกบ้างแต่พอ ตอนตอนนี้เกิดจะครบสองเดือนแล้วที่หมอสั่งตรวจก็ยังไม่ได้ไปตรวจนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ก็เฉยเฉยค่ะก็ไม่ไม่ได้ติ่งเต้ น, นะะรักษาใจไว้รักษาใจไว้ให้เฉยเนะรู้สึกว่าน่ า, าจะอยู่ที่พุทธโทที่ที่พระอาจารย์สอนนะคะว่ า, าให้เรามีพุทธโทกำกับอยู่แต่ก็นั่งสมาธิเนี่ยเราจะได้เพียงแค่ เมื่อก่อนนั้นก่อนฉัที่จะปวดเขานั่งได้45นาทีนั่งขัดสมาธินะคะแต่ตอนหลังพอปวดเข่าแล้วพอนั่งกูอีแล้วนั่งได้ไม่นานนะคะนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมันเหมือนร่างกายก็ไ ด, ได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแ่ะเปลี่ยนยวิธีบดได้พอท่นั่งไม่ได้ก็เดินยืนแล้วก็พุโทโธต่อไปอ่าค่ะเวลาเราค่ะค่ะคะอรักษาออใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆก็ใช้ได้ ค่ะค่ะไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนก็ได้นะค่ะค่ะการขอบคุณท่านพระอาจารย์อย่างสูงค่ะสาธจสาธค่ะพระบูดาเชิญเปิดอเปิดไม้ได้การมาสักการเจ้าค่ะมาจากที่ไหนเมื่อกี้บอกแล้วบอกก็ยังสัตหีบเจ้าค่ะอ๋อสัตหีบนี่เองอยู่ใกล้ใกล้กันนี่วันนี้เข้ามาได้แล้วจ้าค่ะค่ะไปมาว่านหรืเปล่า มาไปหาสายบาทพระอาจารย์บ่อยค่ะที่ที่บ้านอำเภอที่บ้านอำเภอดูในภาพจําไม่ค่อยได้ดูในจอค่ะเพิ่งไปถือศีลมาค่ะเมื่อเมื่อเมื่อกลางเดือนที่แล้วค่ะเออกลางเดือนนี้ยค่ะที่วัดที่ไหนที่วัดที่วัดค่ะค่ะที่วัดยานค่ะเออจะมีสอบถามข้อนึงเจ้าค่ะอืมใช่อะตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิอะค่ะแต่ว่ามีความรู้สึก เออมันมันมันนิ่งแต่เราไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ค่ะได้ไม่จําเป็นบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิจิตมันก็เออแต่อยู่ๆมันก็เป็นเองแต่ว่าเราต้องทําไงอะค่ะถ้าถ้ามันเป็นแบบรักษามันกำหนดรู้ไว้รู้ไว้เฉยๆยาให้มันค่ะพยายามรักษาให้มันนิ่งไว้นะหนูก็ว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ตอนนั่งสมาธิเคยเป็นอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้นั่งแต่ว่ามันก็มันเป็นขึ้นมาบางทีมันมาช้าเลย เรานั่งคตอนเรานั่งมันยังไม่มาตอนเรเิ่มนั่งมันใกล้ามาปัญหาอ๋อมันดีเลยใช่ดีเลยได้โ อ, อค่ะค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็พยายามพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกนั่งไปเรื่อยๆบางทีตอนที่เรานั่งมันไม่เกิดอ่ะแเราเริ่มนั่งแล้วพอเราไม่ได้ไปตั้งใจอยากให้มันนิ่งมันก็นิ่งขึ้นมาค่ะระยะหนึ่งบบงักความตังบางทีความอยากของเรามันไปขวางความนิ่ง ใอ้เกิดเพอาะนั่งอามันนิ่งมันไม่ยอมนิ่งมันไมเริ่มนั่งพอเราเริ่มนั่งปั๊บเราไม่ได้ไปคิดถึงมันปั๊บเดี๋ยวมันก็นิ่งขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะแต่เวลามันนิ่งก็พยายามมีสเติรู้รู้รู้แล้วก็ประปองมันไว้อยาให้มันคิด่ใหค่ะได้ได้แค่นี้ค่ะแค่นี้เจ้าค่ะได้ โอเคนะเดี๋ยวจะให้คนอื่นถามต่อขอบคคใครอยากจะถามต่อถามเลยเพราะเราไม่รู้คคิวของใครนะตอนนี้ใครพูดได้ก็พูดเลยบอกชื่อให้ทราบแล้วมาจากที่ไหนพระอาจารย์ได้ยินโยมไหมคะจากชื่ อ, อาาชิปคุณชิปมามาจากที่ไหนกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมเพิ่งเคยมาตามไลฟ์พระอาจารย์เนี่ยค่ะโยมอยู่อเมริกาที่แมริแลนด์ค่ะอ๋อแมริแลนด์อ๋อ ตอนนี้ก็บางๆสิบมงสิบโมงนนะสิบโมงสิบห้าตรนี้แมรี่ร ก, กับวอชิงตันดีซีทำงานด<ช>ีซีเหรอไม่ไม่เจ้าค่ะทำงานในแมรี่แลนด์ค่ะ อ, อยู่นานหรือยังอยูอ่ตั้งแต่ปีศูนย์สิสิบหกปีแล้วค่ะอึอกปีแล้วเนยะ่ะ อีโควิดนี้ปีนี้พี่โยมคงได้กลับเมืองไทยได้ไปกราบพระอาจารย์แล้วค่ะแต่ว่าพอดีมีโควิด ก, ก็เล ย, เ, ยเขา ไ, ไม่ค่อยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็มาได้ตอนนี้มาไม่ได้ก็อยู่ที่นั่นไปก่อนนะโยมมีคําถามพระอาจารย์คือถ้าว่าเราจะการภาวนากับสมาธินี่เหมือนกันไหมคะคือการภาวนานี่มีสองสองชนิดเนี่ย สมถะภาวนาก็แปลว่าแปลว่านั่งสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่าเจริญปัญญาภาวานี้แบ่งเป็นสองภาคภาคแรกก็เป็นภาคของสมาธิเป็นนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปหรือพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็สงบนิ่งสบายเยน็นมีความสุขรีกว่าสมาธิแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็ไป คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราใช้ปัญญาขั้นที่สองใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดหุ่นวายที่เราไปวุ่นวายเพราะเราไปคิดว่าเป็นสิ่งที่เราอ่ที่ยก ท, ที่จะให้ความสุขกับเราที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่่แตทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราเหรอเราไปสั่งมันไม่ได้ไมันไม่มันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอด ค่ะเจ้าค่ะพอมันพอมันเริ่มให้ความทุกข์กับเราเราก็วุ่นวายใจใขึ้นใวิธีที่จะทําให้เราไม่วุ่นวายใจก็คืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันอยู่คนเดียวดีกว่าใช่เจ้าค่ะแต่โยมก็อยู่คนเดียวแต่มีลูกเนี้ยค่ะแต่บางทีลูกก็ต้องปล่อยวางก็ต้องคิดเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันค่ะโยมก็พยายามฟังพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ภพย แล้วที่ว่าตายก่อนตายเตรียมตัวตายก่อนตายอะไรแบบนี้ค่ะ่เนี่ยั่แล้วใจเราก็จะไม่วุ่นวายนี่เรียกว่าวิปัสสนาค่ะทีนี้เราก็ขอขอประทานโทษการเชิญค่ะพระอาจารย์ทุกครั้งที่เราคิดถึงความตายนี่แสดงว่าเรากําลังเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาพิจารณาความตายก็คืออนิจจ์แต่หลังจากอนิจจ์เราก็จะปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ค่ะสาทุก นั่นก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้ววากรักน น, นั่งสมาธิเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็พิจารณาไตายรักนาาิจจากลมหาตใจแล้วเวลาทั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทธโธแล้วดูลมหายใจคือเราดูลมหายใจเรายมชอบเวลาที่เราดูลมหายใจกลายเป็นว่าลมไปยมไปบังคับให้มันหายใจตามเราะคะ่ะตามที่เราคิดไปออกอาหายใจอย่อย่ า, อ ย, าอย่าไปบังคับเดีวเราต้องดูลมเฉย ถ้าจไม่ไม่ต้องพูดโทก็ได้ดูลงเฉยๆดูทีวีอ๋อแค่ดูนิ่งๆให้เขาทำของเขาเองอ่าใช่ปล่อยเขาตามธรรมชาติเขาหายใจสั้นก็รู้หายใจยาวก็รู้ให้รู้เฉยๆดูเขาอ่ะการขอบคุณเจ้าขาดเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มาทำกับพระอาจารย์ค่ะอาจารดีดีใจด้วยอยู่กลางโลกก็ยังได้ได้พูดคุยกันได้นะพะยะ ยังตืนไปเรื่อยๆนะตื่นขึ้นมากระโดดเอ้าไลฟ์พระอาจารย์มากริบลงมเลยขอบคุณกลับนมสกโอเคใครอยากจะพูดพูดได้เลยใครพูดก่อนก็ได้พูดเลยกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อไทัยวันอุทยวันหญิงค่ะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะ อมีอะไรเหรอมีอะไรอย่าง อ, อืมคะพระอาจารย์คะถ้าเกิดเวลาเราที่เราตื่นมาพอตื่นมาคะ่ะเราควรจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมอะคะก็แล้วแต่ถ้านั่งได้ก็นั่งถ้านั่งไม่ได้มันจะมันจะหลับก็เดินค่ะแล้วก็อตอนเนี้คะ่ะคือทํางานที่บ้านเอประมาณคือเริ่มงานก็แปดโมงครึ่งเลิกงานก็ห้าโมงค่ะทีนี้เราควรจะจัดตาราง ในการปฏิบัติธรรมยังไงคะท่านอาจารย์ก็เท่าที่มันเป็นไปได้ไงเวลาว่างไหนเราก็มีเวลาว่างไหนแล้วก็กําหนดว่าเป็นเวลาปฏิบัติไปเวลาอื่นที่ต้องทํางานก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ทํางานไปแต่ยาวเวลาไปไกลกับการดูหนังฟังเพลงการไปทำอะไรที่ไร้สาระต่างๆเอาค่ะ แล้วถ้าหลังหลังทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเสร็จอะค่ะเราควรจะเดินจงกรมใช่ไหมคะไม่ใช่นั่งสมาธิใช่ไหมคะเพราะว่าเวลารับประทานอาหารมันจะง่วงนอนมันจะหลับง่ายส่วนใหญ่จะไม่นิยมนั่งกนันจะเดินก่อนเดินยังกราลรู้สึกว่ามันมันไม่ง่วงหรือว่าแล้วค่อยมานั่งเจ้าค่ะ แล้วก็เวลาที่โยมนั่งสมาธิเจ้าค่ะก็จะหลับคือถูกครั้งเลยอะค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะลับก็คือเขาต้องหลับอยู่แล้วทีนี้เราพยายามรู้ตัวตื่นขึ้นมาเจ้าค่ะคือถ้ามันถึงเวลาต้องหลับก็ต้องยอมมันแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาหลับมันจะหลับเพราะความที่เกลียดก็ต้องฝืนมันอือเ้าค่ะนะนะ เจ้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามต่อพูดได้เลยใครพูดได้พูดไปเลยยาพรอยู่ที่ไหนอยู่มาถวายเทียนพรรษาที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านค่ะพระอาจารย์นี่มาจากทางเหนือเลยอยู่กรุงเทพค่ะได้ จะะมอะไรซึ่งซึ่งจะครั้งแรกอ่ะค่ะอาจารย์ยังไม่เคยไม่ไม่ชํานาญเรื่อง facebook เท่าไหร่อ่ะค่ะอาจารย์ก <c oughs> ็ใช้ได้เนี่ยมือใหม่พอคำแนะนําด้วยค่ะอันนี้ก็กดแบบว่าสุมซุมเอาค่ะเอาเลยอยาจะถามอะไรก็อยากจะทราบว่าตอนนี้ อ, อจิบนิ่งพอหรือยังนะคะ่ะอ๋อยังไม่พอหรอก ทำไปเรื่อยๆในเวลานั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ทําไปถ้ า, <พ>าจรจริงๆแล้วมันไปบวชแล้วถ้ายังไม่บวชดนดี่แสดงว่ายังไม่พอหรอกนะแล้วค่ะ แ, แล้วเราเอาตรงส่วนคําสอนของท่านพระอาจารย์เองนี่มาใช้ในชีวิตประจําวันทํายังไงให้จิตมันนิ่งมากที่สุดอะค่ะพระอาจารย์ ก็คำสอนแล้วบอกว่าให้ทําอะไรให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําำอย่ า, าไปคิดเรื่องราวต่างๆค่ะไปจดจอ่อทำงานของเราไปอย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขณะที่เราทํางานค่ะใจก็จะเบาจะเย็นมีความสุขกับการทํางานนะค่ะแล้วสิ่งที่มากระทบนี่แล้วศิริยพรสามารถวางได้บางครั้งนี่ถือว่า เราทำได้เอก่งหรือเปล่าคะพระอาจารย์ได้ถ้าวางได้ก็ถือว่าเก่งสาด่แล้วเราาด่าแล้วแล้วเราก็เฉยได้สาธุไปยี้แสดงว่าเราเก่งไม่ไปโกนเขาไม่ไปให้เราสาธุในใจอ่ะค่ะพระอาจารย์เอให้เราสาธุไปในใจอยากจะด่าด่าไปห้ามก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนั่แสดงว่าเรา เราเราฉลาดเราไม่ง่คนโก่เนี่ยคือเรียกคนง่อคนโหก็เรียกว่าคนบ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้คำแนะนำคำสอนจากท่านพระอาจารย์ดูจากในเฟสนะคะติดตามดูตลอดนะคะถ้ามีเวลาดีกลับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะคะที่ชี้แนะแล้วก็เตือนสติสิดนะคะได้ยินดี าสาวนักการขอบพระคุณครับข้าซาทุกขคะ่ะคุณเกษรินจะยินเสียงไหมคุณเกษรินอ่าเข้ามาเลยถ้าอยากจะพูดอ่กดไมครโฟนเปิดไมค์ก่อนอยู่มุมซ้ายอ่ะปิดละวอ่าปิดแล้วลอปล้วเลย <c oughs> <c oughs> หนูเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เจ้าค่ะพอดีฟังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนห น, หนูอยู่อเมริกาเจ้าค่ะอ ที่เมื่อกี้ถามมาข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะที่อยู่นอแคลิฟอร์เนียนะเจ้าค่ะอ่ามีอะไรอยากจะถามอีกเปล่าไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็มีอยู่ที่ว่าเคยเคยตั้งจิตตัวเองว่าถ้าเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นสามีเสียก่อนจะกลับสามีรู้จะกลับเมืองไทยไปจเจริญไปเหมือนกับว่าไปเดินสายธรรมนะคะ แล้วก็พอดีว่าหนูลืมนึกไปว่าหนูยังมีลูกยัมีภาระอยู่อันนี้มันมันเป็นผิดผิดจากที่ว่าเราเราเจตนาไว้หรือเปล่าคะหมายถึงเราไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจมันก็มันก็ผิดเจตนาไปแล้วค่ะก็คือว่าพอพอสามีเสียแล้วก็มันเหมือนว่าเราต้องเดินเอกสารในทุกอย่างคนเดียวนะเจ้าค่ะและ้ว<ม>แล้วเอกสารมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี อแล้วก็ก็รอไปก่อนก็รอไปก่อนใหม้มันเรียบร้อยถ้าถ้าถ้าเรียบร้อยแล้วทําได้ก็ทําไปเวลาเวลาเราหนูหนูจะเสียตรงที่ว่าเวลาจะคิดทําอะไรแล้ ว, แ ล, วแล้วไม่พิจารณาก่อนนะเจ้าค่ะ<ข>คือว่าลืมไปว่าเออนี่เรามีนกที่ต้องดูแลนะถ้าเราไปแล้วเขาจะทํำยังไงเพราะอย่างหนึง่งนกนกตัวนี้ก็ไม่ใช่ของหนูเป็นของของสามีเจ้าค่ะก็มันก็ให้ ลอยจ่ากให้คนอื่นเข้าไปเลยใช่ไมเจ้าค่ะไม่มีไม่มีาละเจ้าค่ะมีใครก็ใครก็อยากได้ก็ให้เข้าไปเลยถามมีคอยากก็ได้ทัหมดเจค่ ะ, อะโอเคมีอะไร จ, จะถามอีกไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเดี๋ใครอยากจะถามใครอยากจะพูด คุณใ ด, ดก็พูดเลยรรมักรครับอ่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเขาอากาศครับกับผมชื่อนอรวิตครับอยู่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ครับผมอ่เมื่อกี้เข้ามาครั้งนนี่ครั้งนี้สามนู่ น, นี่นใช่ไหม <c oughs> ครับอ<ว>าดีคือตอนนี้ก็คือทางานเยอะขึ้นครับผมแล้วแล้วพยายามปฏิบัติสมาธิอยู่ครับผม เคยนั่งได้อัปปนาสมาธิสามครั้งครับผมเคยถือสิ่อยู่บ้านยี่สิบแปดวันครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับผ ม, อมพอนั่งลงใจมันออกรู้ตลอดครับมันไปนรู้สิ่งภายนอกครับผมต้องใช้สติเดิมกลับเข้ามาต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธครับแล้วเมื่อกี้ตอนตอนนั่งนั่งกับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศอยู่ครับรู้สึกว่าจิตใจสงบมากแบบ ม, ม, มันมันเหมือนมีครูบาอาจารย์นำทางครับผมแต่ว่าถ้านั่งคนเดียวอย่างเงี้ยครับถึงจะเปิดธรรมะแล้วเอาไม่อยู่ครับผมอก็ก็ต้องพยายามยนะลองพยายามพึ่งตัวเองบ้างาครูบาอาจารย์จะมาที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้นะตัวตัวครับผมกลัวว่ากลัวว่าอนาคตครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครครับ พอไม่ต้องกลัวละครูบาอาจารย์นี่เยอะแยะเสียงตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาก็มีครูบาอาจารย์มาแทนที่กันตลอดเวลาไม่ต้องกังวลนะลูกลูกเคยไปวัดท่านสถียครับผมไปไปไปหลวงปู่จันเรียนครับเอท่านบอกว่ า, าจา้จางให้อยู่วัดเอาไหมผมก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ได้ครับผมต้องมาทํางานาต้องมาดูแลพ่อแม่ครับอโอเคนะเดี๋ยวให้คนอื่นพูดต่อนนะครับ คุณซีนอยากจะพบอะไรไหมคุณซีนจัอ E E n เปกลับนัศกศึกษาค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> อยู่ที่ไหนอยู่ที่สุรินทร์ค่ะพระอาจารย์สุรินทร์ค่ะค่ะพอดีห น, โนูอยากจะถามว่าถ้าเวลาที่เรานั่งเวลาของการนั่งเนี่ยมีครูบาอาจารย์บอกว่าให้ถึงสามสิบนาทีหนูก็เลยอยากรู้ว่า ต้องถึงสามสิบนาทีทุกครั้งไหมในการที่เราจะรู้สึกว่าเรานิ่งหรือไม่นิ่งอะไรเงี้ยเราจะวัดจากจิตของเราเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันไม่ได้อยู่ที่เวลาหรอกมันอยู่ที่สติสติดีห้านาทีก็นิ่งได้สติไม่ดีชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่นิ่งเออ คือหนูตอนที่หนูท้องลูกสาวหนูฟังพระอาจารย์ตลอดก็คือตอนนั่งสมาธิตอนหนูจะฟังพระอาจารย์ด้วยตอนประมาณบายสองถึงบายสามค่ะตอนนี้ลูกลูกสากำลังพักบุตรเทียวลาเน่ารักจ้ะสาธุข่าว่าก็คนนี้ตอนเขาอยู่ในท้องเขาก็เขาก็ฟังเทศพระอาจารย์ตลอดเขาก็จะดิ้นลูกดิ้นลูกดิ้นลูกดิ้แล้วพออย่นี้หนูก็เลยตั้งใจว่าหนูจะไปหาพระอาจารย์ที่ที่วัด ตอนนูนแต่ว่าพอเขาคอตอนนี้ยังไม่ได้ขวบหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าเขาก็รู้จักสาธุเองโดยที่หนูไม่ได้บอกหนูก็งงเหมือนกันนี้นั่งยังไม่ถึงปีนะคะอาจารย์ยังไม่ถึงแสดงว่ามีของเก่ามามีของเก่าใช่ค่ะนั่นหนูกคิดว่าเขาน่าจะมีของเอามาแล้วทีนี้หนูอยากทราบว่าเวลาที่เรานั่งอาจารย์เคยบอกหนูว่าไม่ต้องพูดพูดโทรก็ได้คือดูลงอย่างเดียวพอดีหนูพูดพูดโทรแล้วหนูจะชอบแบบ อึดอัดะะอาจารย์ดูไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้เฉยๆลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แค่นี้พอแล้ววันหนึ่งเห็นพระอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อเยือนว่าเป็นเป็นเป็นอยู่ด้วยกันที่วัด ตอนที่หนูจะไอ้หนูได้ไปกราบหลวงพ่อเยือนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาซาลายอยู่ค่ะสามวันแล้วก็ท้องคนนี้แล้วตอนท้องก็ฟังพระอาจารย์ตลอดก็เลยรู้สึกโชคดีค่ะพระอาจารย์เกี่ยวข้องกันเนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปกราบพระอาจารย์ถ้ามีโอกาสที่วัดค่ะได้ใตอนนี้ก็กราบได้นียบอกเขากราบทำนี้เลยกราบหลวงตาได้เลยสาธุจ้าสาธุ สาธุสาธุสาธุชื่ออะไรจ๊ะช <Kimchi>. ื่อทำพระอาจารย์ชื่อทาเนยธาราค่ะน้องธาราน้องธาราค่ะธาราไปว่าน้ำใช่ไหมใช่ค่ะพอาจารย์ทำลำไยโอเคเพราะหนูเป็นเด็กดีนะหนเด็กดีตัวบ้าแข็งแรงเนี้ยดูเขาปนนมมือเองได้ดีโอเคอย่ให้โดกตอนนะ อานามัสการครับอาจารย์สิริกัญญาทักนะาพง์เมื่อกี้เข้ามายังอยู่หรือเปล่ามีมีสีดำแต่ไม่ชื่ออยู่แสดงว่ายังอยู่สิริกัญญาทําไม่อยู่เอาคนอื่นก่อนอาจารครับเอาคนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเอออยู่นครพนมเออพอดีผมจะถามอาจารย์เรื่องพิพัฒนาครับ คื อ, อปกติเวลาที่ผมนั่งบางทีมันจะมีช่วงที่แบบคเคยอยู่เคยมันเหมือนบิ่งลงไปปุ๊บแล้วก็พอออกมาปุ๊บมันจะเหมือนมีความที่มันขุดขึ้นมาเองโดยที่เราเราไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้าควบคุมนไม่ได้ไ ม, ไดไ ม, ไดมันก็ขุดในสิ่งที่มันเป็นเหตุนนผลการแก้ปัญหาคือมันเห็นคืออย่างครั้งแรกอะก็คือเหมือนมันเห็นว่าเราชีวิตเราเนี่ย มันมันก็เท่านี้คือเรามีเงินมากน้อยสยสุดท้ายเข้าไปไม่ได้นันก็คือเราต้องาภาวนาต้องทำตรงนี้ดีขึ้นแล้วออตอนตอนนี้พระอาจารย์ผมที่ผมไปภาวนาด้วยท่านก็ให้ผมเหมือนจเจริญวิปัสสนาด้วยซึ่งผมรู้สึกผมโง่มากเลยในในเวลาเวลาออกทางปัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือน ยังพิจ า, า, ารณาอสุภะเนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่เห็นคือมันยังไม่รู้สึกตปรงยังไม่รู้สึกอะไรตรงนั้นซึ่งมันมันผ ม, นมนว่าผมติดตรงเนี้ยในการต้องดูบ่อยๆ ถ, ถ้าอยากจะดูอสุภะนี่ต้องหมั่นดูภาพอสุภะบ่อยๆครับดูภาพทร้างศพเนี่ยคือดูภาพที่เขาไปชำระศพถ้ามีเวลาว่างลองไปที่โรงพยาบาลที่เขามีการชำระศพสอนนักศึกษาแพทย์ ไปดูแลพยายามนึกถึงภาพที่เราเห็นอยูบ่อยๆต่อไปมันก็จะได้ฝังอยู่ในใจเราเพราะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นมันมันมันติดทําให้การไปต่อผมมันมันไปไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอเคก็พยายามนะพยายามนึกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะจําได้มันก็จะอยู่ในใจเรา แล้วก็ต่อไปเวลาไปชอบใครเห็นใครว่าสวยว่างงาน ม, มันก็จะเลกสิ่งสุภาขึ้นมาแล้วมันก็จะตัดได้นะคุณหกสี่ห้าแปดห้าสี่อยู่ที่ไหนคุณหกสี่ห้าแปดห้าสี่จะยินไหมเชิญพูดได้อยู่ที่ไหนชื่ออะไร ไม่ได้ยินเสียงคุณบอยยังอยู่รึเปล่ายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับนนชั่วชั่วโมงครึ่งแล้วนะนะรู้สึกว่าชั่วโมงครึ่งคิดว่าชักจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะให้อีกประมาณสามคำถามก็แล้วกันนะดีไหมโอเคครับครับจะได้มีเวลาพักผ่อนไปได้ไปอะไรทําอย่างอื่นต่อสามทุ่มครึ่งแนละ้วตอนนี้อ่ใครอยากจะถามอะไรเชิญพูดได้เลย บอกว่ามาจากที่ไหนชื่ออะไรแล้วก็ถามคำถามได้เลยจากนวัตการครับอาจารย์อ่ชื่ออะไรมาจากที่ไหนผม เ, เป็นชื่อพระอธิวัตครับเป็นเป็นพระเหรอเป็นพระครับอภาษาบ้างยังผมเพิ่งเป็นพระใหม่ครับพระอาจารย์อ่โอเคพามาเลยสีอ ย, ยอะไรมาจยที่ไหนที่ไหน อยเชียงายดันโอ้เชียงรายนะเชียงรายครั บ, รบพอดีเห็นเพจเลยเราเข้ามาทําทําฟังธรรมะดูครับเอแล้วเป็นไงพอใจไหมพอใจครับออานี่เป็นครั้งแรกที่เราอ่าทําแบบที่แบบไม่มีขอ้อข้อจํากัดคือไม่มีจํากัดเวลาครับผมครับเมื่อก่อนทําแบบจํากัดเวลาพอสี่สิบนาทีก็ต้องหยุด เี่รอก็มาชั่วโมงครึ่งนะครับมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าคะพระอาจารย์คะโยมชีพขอถามอี ก, กรอบขอนุญาตอ่านหัวข้อของพระอาจารย์ที่ว่าโซดาปฏิมาศ ก, กับโซดาปฏิผลนะคะถ้าโซดาโซดาปฏิผลคือการได้เป็นโสดาบานแล้วก็ต้องทําโสดาปฏิมาศ ก, ก่อนใช่ไหมคะใช่ เป็นปริญญาตรีเนี่ยต้องเป็นนิสิตก่อนนิสิตศึกษาสี่ปีพอจบสี่ปีก็ได้รับปริญญาตรีโรดะโรดามะ ก, ก็คือศึกษาวิธีปล่อยวางขันห้าปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพอปล่อยได้ก็ถือว่าถือว่าสําเร็จเจ้าค่ะแจะต้องมีศีลห้ า, า, า ห, หรือศีลแปดเจ้าค่ะก็แล้วแต่นะศีลห้าก็ได้ศีลแปดก็ได้ แต่ข้อสาคัญต้องมีสมาธิกระดับอัปปนาสมาธิต้องมีสมาธิจะเป็นหัวดาบต้องมีสมาธิด้วยค่ะต้องมีถ้าไม่มีมันไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสได้ขอกราบยมสการขอบพระคุณเจ้าค่าะโอเคนะเออเดี๋ยวคำถามหนึ่งครับคำถามสุดท้ายใครอยากจะถามเชิญถามได้เลยคุณกาญจนาเพิ่งเข้ามาเนี่ยอ่าเชิญนะใครอยาก จะพูดใครอยากจะถามเพราะว่านี่เป็นคําถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าก็เวลาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วราคิดว่าหน้าพอสมควรแก่เวลาแล้วไว้รอโอกาสหน้าค่อยเข้ากันใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาช่วงนี้ประมาณแปดโมงสองทุ่มหรือ ก, ก่อนเล็กน้อยว่เป็นเวลาที่สะดวกแต่จะเป็นวันไหนนี่กําหนดไม่ได้นะแต่ก็ขอให้กดติดตามไว้ก็แล้วกันพอมันสดพอมันขึ้นมาสดมันก็จะแจ้งให้ทราบ แล้วค่อยพบกันใหม่นะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเชอญขอบคุณมากนะคุณบอยที่เป็นัดมินให้บอยได้เป็น a d ดมินนะยินดีครับเก เ, เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับนีขอขอจบก่อนนะครับตัดเลยนะครับ อ่าตามเลย